จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริสัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาและเช่นเคยบุคคลแรกที่จะเข้ามาสนทนาก่อนก็คือเด็กชายพีเคเด็กชายพีเคได้ยินไหมครับ นาัากัฒการคพอาจารย์โอ้เสียงดังฟังชั้นเลยกลับนัวัสนการเจ้าค่ะเป็นอะไรไหมครับนนวันนี้อ่าวันนี้วันนี้ตอนที่เย็นเย็นสติไม่อยู่กับตัวหน่อยต้องทำไงอ่ะครับพรอาจารย์ให้สติอยู่กับตัวตลอดเอ่อตบตบหน้าตัวเองสักทีหนึ่งฮัลโหนตบหน้าได้ไหมกล้าตอบหน้าตัวหนูหน เอาไม่มีสติเลยรดีไหมสติจะได้สติสติจะได้กลับมาเร็ๆวๆโดยถ้าตบหน้าไม่ได้ตบตรงไหนก็ได้เตือนตัวเองหน่อยว่าสติหายไปแล้วรีบกลับมาพระอาจารย์บอกให้ตบขาตบอะไรก็ได้ตบตรงไหนก็ได้ให้เตือนให้สติกลับมา อ๋อโอเคครับพ่าจาบอจันมองได้แต่เนี้ยฮะดีไหมทำไมสติหายไปไหนเลยอืมอะไรทำไมสติหายไปไหนพ่อจันถามสติมาลอยลงไปนาาก่อนหรือครับพ่าจาอจันแล้วเราทำไงเวลามันหายไปแล้วทาไงก็ตัวฟีสครับพ่อาจาันตัวฟีสอนะ่ะตัวแข็งเลย เจอความประภจริยวัตสติไปไหนแล้วหนูรู้ได้ไงว่าสติหายไปมันจะเหมือนว่ารู้สึกเหมือนว่าจะริ่มแบบว่าทําของที่ไม่ไม่ควรทำมาขับประภะจรยว์อ่หมือนว่าไม่ฟังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพระภะจรย์อ่าอ่าดีรู้สึกตัวอย่างเี้ยก็เก่งเลยนะพอรู้ตัว ถ้าเราอยากทำไม่ดีก็เรียกสติกลับมาพิธีเรียกสติกบพุโทโธพุโทโธพุโทโธขอเรียกพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทธสติก็จะกลับมาปังน้อสะก่อนนะคะพอ <laughs> <laughs> ่ อ, อ <laughs> แ <laughs> อ๊อ เมื่อเห็นมีปรากฏการเรียกสติครั้งใหญ่กันค่ะค่ะเลยรีบมารายงานพระอาจารย์เลยค่ะไปทําอะไรซีร้ายนะอาราวาสแถะพระอาจารย์พอไม่ได้ดังใจแล้วอาราวามค่ะก็เลยเรียกสติให้หน่อยค่ะกิเลสนี่มันได้นะความอยากนี่ค่ะมีตั้งแต่เล็แต่น้อยเลยใช่ไหมคะอ๋อไม่ไม่ว่าตั้ตดักเด็กดํามัน ร่างกายมันเด็กแต่ใจมันไม่เด็กอกค่ะใจมันว่าใจของผู้เราเนี่ยอายุไม่รู้กี่แสนล้านปีมันละอือมันไม่เคยหายไปไหนมันก็ใจวงเดินอยูอ่ไงใช่ไหมใจตรงเดียมเป็นว่าตายเกิดมาไม่รู้กี่แสนล้านข้างมาอมันก็จะติดเป็นนิสัยเรามาใช่ไหมคะพระอาจารย์เจ้าในทุกอย่างที่เราเป็นอยู่วันนี้ก็มาจากการกระทําของเราต่างๆในอดีตนะ อย่างนี้ค่ะการที่จะเปลี่ยนนิสัยมันก็เป็นเรื่องที่แบบยากแต่ก็ต้องไปอานเพราะว่านิสัยส่วนใหญ่ของเรามันจะไปทางกิเลสไปทงสร้างความทุกข์ให้กับเราเน่แหละไม่ใช่อะไรหรอกคนที่เป็นแบบมูทัง่ายค่ะวามอย่างไม่ต้องสอนกัน อยากไปนู่นอยากไปนี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากไปนู่นอยากมานี่ค่ะอาจารย์มันขึ้นไหวเด่นถ้าเราตามใจมันมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมค่ะได้คือมันก็ยาวสองใช่ค่ะพระอาจารย์นั่นต้องคอยคอยเบรกเบรกความอยากของลูกๆไว้ด้วยนะอย่าตามใจมากเกินไปเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยจัดการเบรกไป ยกใหญ่น้ำตาแบบรั่วให้เขารู้คุนรู้โทษซะหน่อยทำทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วจะจะเกิดผลไม่ดีตามมาเจ็บตัวพวกง่ายๆเขาถามว่าแล้วที่ดุเนี่ยดุนูไม่รักหนูเหรอบอกว่ามันคนละเรื่องกันเพราะว่ารักไงถึงต้องดุถ้าไม่รักก็จะไม่สนใจถ้าไม่รักหนูก็ส่งหนูไปอยู่ที่อื่นนะบอกค่ะอ เนช่าชหาเช่าอ้างความลักเลยพวกนี้กิเลสมันเก่งอะอ้างไม่รักหนูหรอไม่สงสารหนูหรอไม่ดราม่ามามตลอด เ, อเลยเพราะว่านี่เลยมันฉลาดนะอ่าเราต้องอนนเราต้องเข้มแข็งเราต้องยืนหยัดเป็นความถูกต้องแต่ก็มีผ่อนสั้นผ่อนยาวมีหนักมีเบาค่ ะ, ะเย็นดี ถ้าตามใจไปตลาดเวลาเนี้ยต่อไปจะเสียคนค่ะค่ะพระอาจารย์เดิโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบไปสงบเลยค่ะไม่เรียวว่ะไมีไม่เรียวแล้วไม่มีแล้วทาไมเนี้ยไม่มีไม่เรียวค่ะแต่ว่ารีแอคแบบพี่เขารีแอคมาเลยค่ะพระอาจารย์คือแบบว่าตาต่อตามฟันต่อฟันกันเลยค่ะเมื่อเย็นบอกว่านี่ไงสิ่งที่หนูทําหนูอาจจะไม่รู้ว่า แบบเนี้ยที่หนูทํากับคนอื่นแต่เนี้ยมันคือเรื่องจริงเลยหนูรู้สึกยังไงเขาก็บอกเขาไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นต่อไปให้ใ ห, ให้ให้คิดก่อนนะพะยายามดึงสตินะเรียกชื่อแล้วสามครั้งก็แล้วอะไรก็แล้วเขาก็สติก็ยังไม่มาเพราะเขาเย็นลงเขาก็บอกว่าเมื่อตะกี้หนูรู้สึกว่าหนูฟลิปไปสติมันหายไปไหนไม่รู้พอมันรู้สึกตัวหนูก็คิดแต่โมโห จ, จา้าจ๋าว่าเ จ, จา้าจ๋ามาดุหนูทําไม หาคำมาพูดค่าพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปไรายงานพระอาจารย์เลยนะว่าสติมให้มีค่ะันเราก็ต้องคนที่สอนก็ต้องมีสตินะ่ไหมอย่าสติแตงโอ้พระอาจารย์ค่จะจะร่วมรวมขบวนไปกันร่วมด้วยหลายทีมากเลยค่ะเ <laughs> ปียงปังเปียงปางกันแบบว่าไฟแลบ พยายามพยายามระงับตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะคือมันเหมือนไฟมาใส่กันเลยค่ะพระอาจารย์อ่าจะพยายามปรับปรุงตัวแล้วก็ปรับปรุงสติให้อยู่ได้นานขึ้นค่ะพระอาจารย์น <ำ S 1> ําธรรมะอาจารย์ไปใช้ค่ะมีอะไรก็ต้องทบนกับสิ่งที่เรามีานะค่ะ ถ้าไม่มีโลคก็สบายไปไม่ต้องทุกข์ทรลารใช่มีแล้วก็ต้องรับผิดชอบไปค่ะอ่าค่ะการพร้อมพร้มวิหารสีนะเมตตากรุณาเมตตาอุเบคาเมตากับอุเบคาเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยค่ะพระอาจารย์มันโอ้โหบางทีใช่ค่ะอาจารย์ไว้กับพระอาจารย์ที่วัดนะคาเดือนหน้าน่าจะได้ไปค่ะ ใช่ค่ะคุณคเดี๋ยวไปที่เด็กเล็กก่อนนะเด็กเล็กเดี๋ยวเดียวเด็กไอโฟนชื่ออะไรคนคุณวิไลพรเนีชื่อน้ชื่ออะไรชื่อเด็กชายเลนนะพี่ชายเลนสวัสดีครับก่อนิ้วอม่เมื่อกี้มากดผิดไม่ไม่ลูกะอาจารนอยู่ไหนอะเลนกดมั่วแล้วคุณเนี่ยได้แล้วแต่ว่าลูกผ้าจารย์ไม่ไม่เห็นไม่เราไิ้เหรอไม่ เดี๋ยวนะคะพระอาจารย์แป๊บหนึ่งนะตอนนี้น้องเลนเขาไปกดผิดรายการอ๋อใช่ได้ได้แต่ไม่น้องเลนสวัดกลับพระอาจารย์ก่อนลูกอาเ็วน้องเลนอยู่นี่อ่าเร็วกลับพระอาจารย์ก่อนเวเอ๋อน้องเลนทาไม่ได้อ่น้องเลนส่งการบ้านพระอาจารย์ก่อนเลยสวัสดีค่ะก่อนอ่อน้องเลนเร็วน้องเลนสวัสดีค่ะพระอาจารย์ก่น้องเลนไม่เล่นลูก เล่เ่ะได้แล้วโอเคโอเคมามาได้แล้วลูกโอเคได้แล้วอะไรทุกคนกลับพระอาจารย์อน้องเียนกลับนะองเนลัแล้วอน้องนกลับเล้วอเย้ไอเย้เย้อาลทุกคนเร็วเรเสียเวลาลูกเร็วเรพระอาจารย์ให้เ็กลลว่ครับกลับครับกลับแล้วลูกเร็วพอดีให้ทำการบานก่อนเมื่อกี้ไปมาะมาเกือบชั่วโมงค่ะก็เลย ท่านติดทำการบ้านไปนะหลวงปู่ดุแล้วลูกหลวงปู่เห็นไหมล้านนิ่งแล้วเด็นยวทำการบ้านสวัสดีครับอเรบ้านหลวปู่แล้วดีครับสวัสดีครับอ่ะอ่ะท่องเลยเรามีความไอะไรต้องแกน่นอนแแล้วกคทแก่เป็นไม่ได้เรามีความเจ็บ็บใครเป็นธรรมดาแล้วลูกของคนเจ็บก็เป็ไม่ได้แความเป็นธรรนื่า อย่าล่วงอย่าร่วงอความเป็นไม่ไ้เรามีเรจะต้องเราจะต้องบวลเพราะจะร้องแล้วผมจะเลยใจทั้งหลาังทั่วเราดีความกรเป็นของของตวเราจะต้องรับกรรมรับผลรับผยของกรรมนั้น คุณท่องได้แค่นี้เจ้าค่ะพราะจะเพิงต่อเพิ่งต่อเรามีกรรมเป็นของของตนเราเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรม น, นั้นอ่ดีเนี่ยทไมก็ดีเ ป, ะะเป็นกรรมเนาอยอาอยากท่องอีกทีนึงเจ้เาค่ะอ้าวเลย่ตั้งใจนะลูก<ห>นี ส, สิตนะคะมีกรรมของของตนเราจะต้องรับกรรมรับผลและผลของกรรม น, นั้นครับเรามีกรรมเป็นของของตนเราจะต้องรับกรรมเป็นของนั้น เราจะต้องไพูดรับผลของกรรมนั้นโอเคน้องเรนน้องเรนมานน่าโมตัส okay. ์เร okay. ็วค่ะเร็วเร็วครับน้องเลนมีอะไรจะถามจากหลวงปู่ไหมครับไโอเคค่ะคระวันนี้้อนะค่ะมาอก่อนเลวค่ะน้องเลนครับน้องเลนครับน้องเลนอะ ถ้านั่นก็ได้อ่านนั่งเลยอทีทโซแล้วนั่งเลยแล้วอทีโาะว่อะมาะพุาะวาพูดทางพะวัตังอภิวาเรนีอ้าะวาอ่นได้ดีกันมั้ยพะวัทำมือทมังนมุาตเระาวสังคุ มานั่งดีๆได้แล้วลูกอ่ะมาเร็วอยา้วดีวันเพวอบทถอมเมตาเร็วน้องเรนน้องเลนนั่งดูเดหัวเเลือดลงหัวนะลูกเดือเลือดลงหัวนะครับนั่งดีๆตั้งตั้งหัวตรงก่อนเร็วตั้งหัวตรงก่อนเดเลือดไหลเร็วๆครับี่ร็วเร็ว เอาเร็วเรวครับอาผแนไม่ตายะ้าก่อนไม่ตาก่อนเลยคุณผู้วนี่ือพเจ้ากาทำายกาพเจ้างโจรสกุส่วนนั้นแต่มุกจัุกกสาทุกวน้วในพุทธาต่างมืนัสาทาไอันเป็นเพื่อนรัก็จเด่นในการทำกุศลที่เราอย่ามีวรทายาแม่แม่เอวแบดีึ่งกันและกันเลยของตรงที่พุทธคอสุขอมสงบเพื่อะจเป็นชาติไปไสัาหกากิารผลลัจุอืมโอเคลูก วันนี้วันนี้วันนี้ไม่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วแต่อรมอะพอดีทำการบ้านไปหมดพลังแล้วโอเคไปไป้วอันเล่อีกลับกับกลับกลับลากลับลาปลูกอะลูกเร็วๆลับีครับกับดีลูกทำไดีดีเลยทีครับกลับทางกลับาสงฆ์หวงู่หลวู่บอกไม่ผ่านเลยวันนี้เป็นเด็งดีนะครับเป็นเด็กดีนะคะ ดีไหมลูกดี้ะครับค่าหลวงปู่สุขภาพแข็งแรงนะไม่ต้องอยากเจ็บไข้ได้ป่วยนะอยาเจ็บไข้ได้ป่วยนะห่มรับนะคขอบคุณครับหลวงปู่ต้องดูแลโดยเองดนะคะโอเคอนันตันดีจ้าอนันตฝันดีค่ะขอพรอาจารักษาทัาขันตุ้าค่ะอาาธุกไปที่จะแม่กับแจที่ต่อนี่เด็กโตแล้ว กลับนมัสการพระอาจารย์ครับอืมวันนี้มาสุกันบ้างครับอว่ามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่งพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆถือว่าเราจะต้องพละทักษ์จากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง รรมเมรา ม, ม, มีกรรมเป็นของของต น, นมีกรรมเป็นผู้ให้ผล ม, มีกรรมเป็นนานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยเราทำกรรมอนไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิ okay. ดโอเคแล้วอะไรต่อแล้วต่อ ผมขนแล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแ <Yeah. S 1> ย้ในกระดูกมา้าหัวใจตับทังผืชใต้ปอดไซส์ใหญ่ไซส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเย้ในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหื่อน้ำมันค้นน้ำตา น้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตผังผืนตับ ปอวใจ ม, ม้าเนื้อกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟังเ ล, ล็บขนผมโอเคจำไว้นะเวลาเห็นรน่างกายต้องเห็นอนาะการทั้งทีสองไม่มีจอมแมสไม่มีแจตตี้ในร่างกายนี้นะครับมีแต่ดินน้ําลมไฟเนะทำมาจากดินน้ําลมไฟแนละ้วก็จะต้องกลับกลืนสู่ดินน้ําลมไฟไป ต้างแก่ต้องเจ็บต้องตายอ่านี่คือธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวตนไม่มีแจตตี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ในร่างกายอ่าให้แยกแยะออกจะได้ไม่หลงร่างกายเป็นอะไรแจตตี้ไม่ได้เป็นอะไรไปด้วยจะแม้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายชรบอ่าจะแม้เป็นผู้รู้ผู้คิดอ่าไม่ต้อตื่นเต้นตกใจ มู้รู้ผู้คิดต้องใจนิ่งๆเฉยๆถ้าจะไม่ทุกข์ใช่ฝึกซ้อมไปเรื่อยนั่งสมาธิได้กี่นาทีอะไรเนี้40นาทีครับมีโครงการจะปรับไปขึ้นไหมยังช่วงปิเทอมจะปรับขึ้นครับเป็น15นาทีครับเราดูนะครับทีมานานแล้วต้องขยามขึ้นไปให้ได้ครับชาติที่ก็นั่งพร้อมกันหรือ่า เดีย๋ยวนี้ก็สวนมครับว่าไม่ไม่ใครได้นั่งเพราะว่านี่กันบ้านเนี่ยครับอ่าใครจะไม่นั่งคนเดียวเลยจะมานั่งกับแม่ค่ะอ่ารต้องพยายามนั่งด้วยนะครับต่อไปเขาทิ้งเราไกลเลยนะต่อไปเราจะตามเขาไม่ทันนะค่ะพยายามบั ง, ง, บงคับตัวเองของดีๆมันยากแต่มันเป็นของดี มันจะทาให้ใจเรามีความสุขนะขอายใจนะเข้าใจครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค<ม>รับโอเคเดินไปที่ไม่กล่าครับทุกคนพระอาจารย์ครับอน้องน้องอะไรเลยไม่รู้น้องทีมเน้องทีมนมคุณกกแม่ฝนนะกลับมาเทศกาลครับพรอาจารย์เออช่วงนี้มา จะมาส่งกันบ้างครับว่าอาทิตย์นี้น่ัดสั้นาทีได้ชั่วโมงนึงครับโอเคแล้วนานที่สุดกี่นาทีสิบนาทีครึ่งสินาทีครึ่งแลาสทันที่สุดนะเก้านาทีครึ่งครับเกานาทีครึ่งมีขานหมเจ็ดวันไหมมีคาดหนวันครับขาดนวันเลยจะทําอะไรดึกแล้วครับก็นเลยดึกแล้วเลยอ๋ธรรมดาธรรมดานั่งตอนไหน นั่งเป็นไรคะลูกบอกเอาสองซุ้มครึ่งครับเอานึ่งครื่องเลยตอนนั้นตอนนั้นเรานั่งคนเดียวหรือนั่งเป็นแม่นั่งคนเดียวครับออนั่งได้เลยนั่งไดครับอืเราชอบไห่ตอนนี้ก็เฉยๆครับเฉยๆไม่เหมาเล่นเกมนะครับเล่นเกมนี่สนุกกว่าใช่ไหมใช่ นั่ไปเรื่อยๆนั่งไปก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นผลแต่เห็นผลแล้วจะติดใจต้องพยายามนั่งไปบ่อยๆนั่งมากๆเดี๋ยวพอได้ผลแล้วก็จะติดใจเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับผลที่ได้จากการนั่งสมาธิได้ครับโอเคมีอะไรไหมไ ม, ไม่มีคำถามอะไรครับ เดี๋ยวนี้หนูจะเเริ่มปล่อยให้เขารับผิดชอบตัวเองเรื่องการสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์คือก่อนหน้า น, นี้เหมือนว่าหนูจะต้องนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยเตือนเขาเวลาที่เขาไม่ค่อยนิ่งอ่ะค่ะแต่ว่าเหมือนช่วงหลังก็ลองสังเกตดูเขาก็นั่งได้ระยะเวลาที่อาจ น, นิ่งพอสมควรนะคะพระอาจารย์มากกว่าเมื่อก่อนที่จะแบบยุกยิกตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะนิ่งขึ้นก็เลยปล่อยให้เขารับผิดชอบตัวเอง ด้วยการนั่งสวมดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิต่อเองอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ ก, ก็ก็อย่างรับผิดชอบดีค่ะก็รู้ว่าหน้าที่ว่าต้องทำก็คือต้องทำอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็นังคอยติดตามเนื้อเดี๋ยว <c oughs> แอบมีแอบดูค่ะแอบดูแอดูเขาก็อย่างนั่งอย่างนั่งได้อยู่ก็กอใจเย็นขึ้นเยอะใจเย็นขึ้นเราก็ดีดีขึ้นเยอะค่ะอารมณ์อะไรก็อย่างที่เคยเรียนพระอาจารย์ไปว่าก็ดีขึ้นเยอะค่ะพระอาจารย์ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วก็มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะค่ะก็ดีดีค่ะในส่วนของเขาก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะก็พยายามฝึกไปเรื่อยนะ ได้ค่ะก็นนี้บอกเขาว่าควรจะเริ่มปรับเวลาขึ้นเป็นสิบเอ็ดนาทีได้แล้วอะไรแบบเนี้ค่ะเดี๋ยวให้เขาลองดูว่าคือให้เขาลองเซ็บเวลาที่สิบเอ็ดนาทีดูว่าจะจะได้ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ในในในในส่วนของหนูว่ะค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูมีคําถามนิดนึงอค่ะหนูอยากอืมในส่วนของเรื่องพวกเอการมลลมรูปเสียงกิโลโผลตพพ้าอะไรพวกนี้ค่ะกับพวกการมเนีลยคือ การชนิดไหนมันมันละยากที่สุดนะคะพระอาจารย์หรือว่าเราต้องเริ่มจากสิ่งไหนก่อนนะคะชนิดที่เราชอบระชนิดที่เราชอบมันละ ง, ง่ายที่เราชอบคือลายากที่สุดใช่ไหมค ะ, ะยิงย่งยินงชอมยิ่งรละยิ่งยิ่งยิ่งสละยาก <S <S ไอ้คนที่ไม่ชอบเนี่ยปัดทิ้งไปเลยไง คือเหมือนอย่างเงียังชอบติดซื้อของหรือว่ า, า ก, ก็แต่กรลดลงแล้วนะคะแต่เหมือนแบบอาจจะยังมีชอบแต่ก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันค่ะคะเรื่องนี้อาจจะยากยากพอสมคร<ำ>่รก็ทําทําจากน้อยไปหามากก่อน <c oughs> อี๋ยวน้อยอห้ได้ทําบ้างอย่า <c oughs> อย่าไปยอมแพ้มั น, น <c oughs> อ่าทีละนิดเทลหน่อยขยับไปค่ะพ อ, ะ อ, ะ อ, ะอะ สิ่งคือเราควรจะเริ่มจากสิ่งที่ง่ายง่ายก่อนอย่างนี้หรือเปล่าคะคือหมายถึงว่าง่ายสาหรับตัวเราอะไรแบบนี้คะใช่ก็ง่ายมันก็จะมันทำให้มันเรามีกำลังใจ <c oughs> ว่าเราเลิกได้ค่ะก็ก็คิดว่าจะพยายามดูค่ะเพราะว่าอย่างขนาดอย่างเรื่องบางเรื่องที่รู้สึกว่าเออมันก็ ยากเราก็ยังทําได้อะไแบบเนี้คือเลิกอย่างสุรายเนี้ยเราก็ไม่ดื่มได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ใช้เวลากับอย่างอื่นก็คงอาจจะน่าจะเดี๋ยวจะพยายามค่ะผ่าจายเพียงแต่ว่าไม่ค่อยคนเจอสิบเปอร์นยี่สิบปอร์ซ็นต์ก็ได้ค่อยๆลดไปค่ะค่ะครับค่ะวันไหนถือสินแปดได้ก็ลองถือสินแปดไปสักวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งค่ะจะหา จะลองหาสักอาทิตย์ละวันนะคะอยากจะลองเริ่มกลับมาถือศีลแปอาทิตย์ละวันอยู่เหมือนกั น, นะคะ่ะพรอ่ารย์8แปนี่ก็เป็นศีลห้ากับศีลในธรรมะรวมกันคือไม่ทาบาปสี่ข้อแล้วก็ละการหาความสุขจากลบสิ่งเกินรอดสี่ข้อ ตอนนี้ฟังเพลงก็ไม่ไม่ค่อยฟังนะคะคือวิธีอบรถก็คือหนูจะไม่เปิดคือถ้าเป็นส่วนตัวของหนูนะคะอยู่คนเดียวหนูไม่เปิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดไปทืออย่างก็เหลือแต่แบบคือจะไปฟังข่าวฟังธรรมะอะไรแทนเลยแบบนี้มากกว่าค่ะก็เดี๋ยวคงจะจะลองค่อยๆลดฟังความเงียบดีก็ดีเหมือนกันนะความเงียบดีดีนะก็ดีค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้หนูก็ชอบอยู่เงียบๆบางทีขับรถก็ชอบความเงียบค่ะชอบชอบ ชอบค่อะอาจารย์ชอบชอบความเงียบค่ะชอบความสงบความเงียบคือถ้าเกิดแบบอยู่กับความเงียบแล้วเบื่อก็จะจะ prefer ที่จะฟังธรรมะหรือไม่ก็แบบข่าวอะไรอย่างนี้มากกว่าเลยไม่ค่อยชอบ ถ้าไม่ฟังก็ข่าวได้ยินด pues mm ีมันฟังแล้วมันอาจจะทําให้ใจเราวุ่นวายได้ก็จริงก็จริงค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวยังไงจะธรรมะดีกว่าแต่ธรรมะนี่ชอบฟังเล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็รู้สึกว่าฟังแล้วก็ได้ได้ปัญญาดีอะไรแบบเนี้ยค่ะก็อเมื่อคืนขออนุญาตเล่าเมื่อคืนหนูฝันถึงพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มาเตือนในความฝันว่าแบบว่า อย่ามัวแต่นอนให้ลูกขึ้นมาปฏิบัติได้แล้วลอะไรเงี้ยฟันดีฟันดีใช่หนาก็บหนูก็แบบท่านว่าแบเหมือนพระอาจารย์มาบอกแบบได้ยินว่าพระอาจารย์กำลังลงเทนแล้วบอกคุณผลตื่นได้แล้วอย่ามัวแต่นอนอะไรเงี้ยให้ลูกขึ้นมาปฏิบัติเม่ไรมันจะพัลรู้อะไรเงี้ยใช่อลไรต้องวันนี้เลยต้องแบบฟิตหน่อยอืมต้องเร็วแล้วกำลังแข่งกับเวลา เวลาของเราเนี่มันสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเส้นสุดเมอไหร่อค่ะเพระนตอนนี้มีโอกาสมีเวลาก็ควรจะชกช่วยโอกาสนี้ค่ะได้ค่ะอาจารย์หนูก็ไม่มีคำถามแล้วค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณค่ะความพยายามยีไหนความสำเร็จยีนั้นนะค่ะค่ะอาจารย์จำไว้ตลอดค่ะค่ะขอบคุณจ้ะค่ะโอเค อปที่คุณนิสาต่อคุณนิสาเป็นยังไงปรับตัวเข้ากับกล่าในมาสการค่ะพระอาจารย์กับสังคมไหวไหมก็พยายามพยายามปรับตัวอยู่ค่ะพระอาจารย์คือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือการอยู่กับคนหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมเมื่หมายถึงถึงแบบ คนญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแต่หมายถึงว่าความเป็นอยู่อะไรนี้แบบปรับตัวได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าแต่คงแบบต้องปรับตัวเกี่ยวกับการอยู่กับพี่สาวอยู่กับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับพี่เขยอะไรเงี้ยเพราะลูกไม่เคยอยู่กับับญาตินานานพอสมควรแต่คือแต่ก่อนมาก็แบบมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอนี้มันเหมือนต้องแบบต้องมาอยู่จริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีมันก็ต้องปรับความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารย์แล้วที่อยู่ของเร า, เาตามลําพังไม่ได้เนละต้องอยู่ใกล้กันอ๋อพอดีก็อย่างที่บอกภรอาจารย์ว่าคุณต้องมาปัดป ด, ป ด, ดูคุณแม่กับพี่สาวาค่ะพระอาจารย์คือเหมือนคุณแม่เขาแบบจะเริ่มเป็น s <S อัลไซเมอร์ค่ะพาอาจารย์ก็เลยต้องพาไปหาหมอหม อ, อย่างเงี้ยคะ่ะภรอาจารย์ก็เลยต้องดูไกล้ชิตนิดนึดนงค่ะพาอาจารย์อือ ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราแล้วกันนะค่ะอาจารย์ก็เลยค่ะก็เลยต้องแบบผัดกับพี่สาวอะค่ะอาจารย์ก็เลยต้องพี่สาวก็เลยอยากให้อยู่ที่บริเวณบ้านของพี่สาวอะค่ะซึ่งเขาเคยเป็นทาเป็นร้านทําผมเขาก็เลยให้ตรงนี้เป็นรีโนเวทเป็นที่อยู่ก่อนนะคะอาจารย์ก็เลยยังมีตอนแรกมีแผนว่าจะไป ไปสร้างบ้านที่เขาใหญ่ก็เลยต้องเก็บโปรเจกต์นั้นไว้ก่อนค่ะพระอาจารย์ร อ, อดูทีท่าก่อนค่ะพระสารก็เลยยุ่งๆนิดนึงค่ะเอะอะจะเย็นๆดูสถานการณ์ไปกันแล้วกันคนะ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็นึกถึงคำํำฝังๆของพระอาจารย์ค่ะก็คือให้ยอมหยุดเย็นค่ะพระอาจารย์เพราะบางทีแบบการดูแลของพี่สาวกับ คือบางทีมันมันก็อาจจะไม่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืเราก็ต้องตามตามพี่สาวเขาไปเรื่องบางทีบางครั้งลูกก็แบบอาจจะไม่เห็นด้วยบ้างอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคือเราพี่สาวเขาดูมา ก, ก่อนเงี้ย ค, ะคะ่ะพระอาจารย์แล้วอลูกเองก็ไม่ได้มีเวลาอย่าเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือเคยไม่ได้มีเวลาดูมา ก, ก่อนอย่าเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็เลยต้องแบบ เออพี่สาวเขาดูมาก่อนก็ต้องทําตามเขาอะค่ะถึงบางอย่างมันรู้สู้รู้สึกว่ามันไม่ไ ม, ไม่อาจจะไม่ถูกใจถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อืมก็ไม่อยากคะรลาะอะค่ะอาจารย์นี่ทําตามเข้าไปเขาเขาทํามาก่อนเราล้วก็ออมาบ้านเขาด้วยอาจารย์เ <laughs> ออก็ ล, ลำบากแต่ว่าลูกก็ไม่ให ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้แบบคิดมากอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ได้ค่ะพระอาจารย์อืมอ <า S 1> ืมปราณนีค้คือแม่แม่ก็อยู่แสนสบายค่ะค่ะเพราะว่าคือจริงๆลูกอยากจะไปหาบ้านแต่ว่าพี่สาเขาอยากให้อยู่ที่นี่อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืมันก็เลยแบบบางทีมันก็อึดอัดนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอาจารย์เราก็เอาแม่เป็นหลักค่ะก า, าร ม, มีกรรมเป็นทองของตน่ะ <laughs> นี่คือกรรมของเราค่ะพระอาจารย์แล้วคุณแม่ก็แบบเขาเป็นภาวะแบบเอาใส่เมอร์ช่วงล่าๆมันจะอารมณ์เบี่ยงวีนค่ะพะอาจารย์อืมอืมต้องปรับยาอะไรเงี้ยค่ะพอาจารย์อืมอืมก็เห็นใจพี่สาวเขาเหมือนกันเพราะเขาก็ดูคือเขาเจอเจอมาก่อนอะไรเงี้ยคือเจออารมณ์คุณแม่มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์รู้ ก, ก็เลยเออก็ เห็นใจเขาก็แล้วแต่เขาก็อะไรอย่างนี้ยค่ะใช่ทำนะลมไม่หันสีก็แล้วกันค่ะพระอาจารย์ตาเงนาวค่ะพระเบญคาค่ะพระอาจารย์ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็เฉยๆไปใช่ใช่เสวยยอมหยุดเย็นดีที่สุดค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะลูกลูกก็มีปัญหาตรงเนี้ยแหละใช่ไหมอย่างอื่นก็ปรับตัวได้หมดค่ะพระอาจารย์อย่าลืมหน้าที่ของเราปฏิบัติธรรมของเราด้วยนะ ค่ะพระอาจารย์พยายามเลยค่ะพระอาจารย์สมาธิมันช่วยได้เยอะนะทํางงทให้ใจใช่งงใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ลู้ก็พ่คือบางทีพี่สาวเขาก็จะแบบเหมือนกับหงดหิดนิดหน่อยอะไรเ ง, งี้ยลูกก็บอกว่าใจเย็นๆให้แบบให้เอาธรรมะเข้ามาอะไรเ ง, งี้ยค่ะบางทีแบบพูดมากขาไม่ได้โอ้โห<ะ>เดี๋เฉยไปดีซะค่ะก็เลยเออเฉยก็ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็ตอนนี้ก็เลยแบบปรับต้องปรับเปลี่ยนเวลาจะต้องแบบตื่นพยายามแบบตื่นเร็วขึ้นอีกค่ะผ้าอาจารย์ก็เพราะว่าค่ะค่ะอาจารย์ก็ไม่ลืมค่ะเพราะว่าไม่ไม่อยากจะแบบเวลาเริ่มต้นแล้วมันเหนื่อยค่ะผ้าอาจารย์ค่ะทำห้เป็นประจำเป็นนิสัยแล้วมันจะง่ายค่ะ ค่ะค่ะอาจารย์ตอนเช้าลูกทําได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนเย็นจากที่เคยทํามันไม่ได้ค่ะอาจารย์อืม mm hmm. ก็คงต้องแบบตื่นเช้าให้มากกว่าเดิมค่ะอาจารย์อืมอ mm ือ hmm. ตอนนี้จากตอนนี้ก็มีแบบห้องมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็พยายามจะทําให้มากให้ให้เหมือนเดิมค่ะอาจารย์มากกว่า mm hmm. เดิมนี่คงคงไม่ได้ค่ะอาจารย์เอาเท่าเดิมที่เคยทําอะ พยายามให้เด้าเดิมค่ะอาจารย์ียังไม่ได้มีเวลาไปหาค่ะอาจารย์เลยค่ะก็นด่ไงออกมาตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มาต้องไปสักวันค่ะะอาจารย์เร็วๆเนี้ยค่ะะอาจารย์ไม่สำคัญหรอกไม่ไม่ยังไม่ยังไม่รับปากเดี๋ยวพระเจ้าบอกว่าใครที่ปฏิบัตินี่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ขนาดไหนก็เอว่าอยู่ใกล้ ันที่อยู่ใกล้ทําให้ปฏิบัติก็เทวะอยู่ไกลอ่าพระอาจารย์อ่าพระอาจารย์เข้าใจลึกซึ้งเลยค่ะอถ้าอยากจะอยู่ใกล้ก็ปฏิบัติอ่าพระอาจารย์อมาที่นี่แต่ให้ปฏิบัติมันก็มันก็มันห่างไกลกันเพราะคูยคุยกันไม่รู้เรื่องวันนี้ไม่ปฏิบัติมันพูดคุยละม้าไม่รู้เรื่องค่ะพระอาจารย์อื โอเคนะค่ะพระอาจารย์ก็ขอให้คนคนชนเข้มแข็งอวยค่ะค่ะพระอาจารย์น้อมนำปฏิไปติปฏิบัติค่ะยังระลึกถึงคําสั่งสอนของพระอาจารย์เสมอค่ะค่ะคุณยินดียังไงเดวิดโทรมาบอกนี่ ค่ะโทรมาค่ะถ้าจะไม่ได้โทรค่ะไ<อ>ลน์มาบอกค่ะไลน์มาบอกเ<อ>พิ่งเพิ่งไลน์บอกว่าวันนี้ถ้าอาจารย์มานะฝากความระลึก ถ, ถึงท่านอาจารย์ด้วยแล้วก็บออาจารย์บอลซองตี้ด้วยค่ะโอเคอเหมืดิมค่ะขอบคุณมากนะค่ะท่านอาจารย์<อ>ลูกขอบพระคุณท่านอาจารย์เปอย่างสูงค่ะวันเนี้เอ่อ ม, มีพี่อยู่คนหนึ่งค่ะท่านอาจารย์ลูกไปซื้อของพี่เขาแล้วแบบพี่เขาที่วัดย า, นาหนาค่ะแล้วพี่เขาบอกพี่เขาแบบ ทุกะคะเรื่องเสียสามีลูกก็เลยบอกว่าลองเข้ามาที่ซูมแล้วลองมาศึกษาทางด้านธรรมดูแล้วกันแล้วลูกให้เออดีไปแต่เห็นพี่เขาบอกเขาจะเข้าอ่ะค่ะท่านอาจารย์พี่โฮรอดูอยู่เหมือนกันนะคะ่ะก็ตามนี้ค่ะท่านอาจารย์โอเคค่ะลูกก็ไม่มีอะไรค่ะท่านอาจารย์ขอพระคุณท่านอาจารย์ปยัญญาเสื่อมค่ะจ้าสาธุค่ ะ, ะคุณแนนกลับไปถึงบ้านแล้วยัง อือตอนเมื่อวานนี้เจ้าค่ะค่ะอำการรวักา ร, รคา่ะพ่ะค่ะสาบาดีเจ้าค่ะดีใจได้ไปการาบพราจารย์เจ้ค่ะเป็นไงเหมือนกันไหมารที่นี่กับเจอกันเจอกันบจอนี่ยเหมือนกันค่ะระอาจารย์ยังยังหนุ่มอยู่เจ้าค่ะดีใจได้ไปกรา นมเจ็ดสิบแปดนมดีใจค่ะได้ไปกราบเปกราบพระอาจารย์คือดีใจมากๆคือลูกก็เข้าครูมาห้าปีก็ได้ไปกราบพระอาจารย์ห้าครั้งแล้วจ้ะค่ะดีใจจ้าค่ะปรปีละาครั้งเลยอืมค่ะแล้วก็ขาบแค่ห้าครั้งได้ค่ะโอเคดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะอบคุณการชิดไหวไมคุณการชิดไหวัวน อยู่ใกล้ไทไทเปหรือเปล่าอยู่ใกล้จากไทเปอยู่อยู่ไทเปครับอาจารย์อยู่ไทเปครับอยู่ในเมืองไทเปนะครับแต่ว่าอยู่ตูเฉินครับยิงผูตูเฉินครับก็มีก่อสร้างเยอะนะในเมืองวัครับครับก่อสร้างเยอะอยู่ครับแล้วก็ลังก่อสร้างมีตึกทังสูงเยอะนะครับก็มีปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวปะที่ไต้หวัน ช่วงช่วงนี้ไม่มีครับมีแต่ข่าวพายุมาแล้วแต่มันมาไม่ถึงครับมันเลี้ยวกับก่มันเลี้ยวออกไปก่อนมันเข้าถึงไต้หวันทางภาคใต้นิดเดียวครับที่ว่าพายุใหญ่มาแต่ฟิลิปปินส์คงจะเจอลมหนาวลงมาพัดนี้แล้วไมกันอะไรได่รู้ครัครับช่วงนี้กําลังเข้าหน้าหนาวครับเริ่มหนาว <c oughs> เริ่มมีฝนครับแล้วที่ไทยเป่ยนี่มีตึกสูงๆเยอะไหม <c oughs> อะไรนะครับ ที่ไทยไปในมีตึกสูงๆเยอะเลยครับเยอะครับเยอะครับเขากำลังก่อสร้างกันเต็มากครับนายทุนใหญ่เข้ามามเป็นตึกซื้อที่กันแล้วก็สร้างตึกสูงๆครับอแล้วก็มีงานทําไปตลอดครับก็ทําเรียกอีกสามปีสุดท้านะครับอของผมไม่ต่อแล้วครับสามปีครบสามปีไม่ต่อ มันครบสิบสองแล้วครับถ้าเหลือสามแท็กสุดท้ายแล้วครับแท็กสี่แล้วครับต่อไม่ได้เลยถ้าเป็นกล่งฝีมือถ้าโรงงานเขาเปิดเป็นกล่งฝีมือก็ได้ครับไม่มีไม่มีข้อกำหนดว่าจะอยู่ได้กี่ปีมีไหมมีครับอยู่ไต้หวันอยู่ได้สิบสองปีครับผมเหลืออีกสามปีสุดท้ายก็ครบสิบสองปีครับ ต้องกลับบ้านนะก็ไม่ต่อสัญญาให้เลยครับต่อสัญญาก็ครบสิบสองปีนะครับคือแท็กสี่แท็กสี่แท็กหนึ่งมีสามปีครับต่อได้สี่แท็กครับของผมแท็กสุดท้ายแล้วครับแท็กสี่ครับอืมหลังจากนั้นก็ต้องกลับบ้านนะครับต้องกลับบ้านครับอืมเขาจะกลับมาบ่นแล้วได้ข่าวใช่ไหมครับตั้งใจไว้กับ ตาก้กใจว่าหน่กเนี๋ยวน่<ย>น ะ, ะงานงานบวชนี่ดีสดุดเดียกับงานทงเงินทั้งหายทั้งปวงช่องานบวชไม่ได้ครับว่าจะหาเงินหนาอะไรไปไว้ให้ลูกเรียนแล้วก็ให้พี่ให้น้องแล้วผมก็จะไปครับออโอเคพยายามอ่า เตรียมตัวไว้ก่อนนะพอถึงเวลาจะได้ไปได้เลยครับตอนนี้ก็รักษาปีนแล้วก็บางทีถ้าตื่นขึ้นมาฉันจะลุกเองประมาณตีสี่ครับก็จะจะนั่งสมาธิไปประมาณถึงตีห้าครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก่อนอาบน้ําไปทํางานครับอพยายามทำทุกวันนะมันเป็นนิ ส, สัยครับอาจารย์โอเคนะมีอะไรอีกไหมไม่มีครับเข้ามากราบอาจารย์ครับ โอเคสาธุไปที่อาจารย์พรม่ิไลต่อครับนมัสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงสุสบายดีสบายดีครับพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะฮะก็เหมือนเดิมธรรมะภาพวิไตามธรรมะภาพก็ได้ลุกได้ตื่นขึ้นมาทุกวันก็โอเคเออนั่นแหละ ถือว่าบุญละท่านได้ตึ่นขึ้นมาแล้วดินเต็นแล้วเดินได้ก็โอเคนะมีกินมีนอนก็พอแล้วชีวิตเรายาอะไรมากมายนั้วนะรอบเพื่อนเพื่อนก็ลดน้อยลง ก, ก็ตามเวลานับถอยหลังเข้าดาวไป เราเป็นกําไรแล้วครับตอนนี yeah. mm ้อ hmm. ตอนนี้ทุกคนก็อคิดมันเหมือนกันค ว, ว่าว่าไวัเยอะแล้วต้องรีบใครจะไปก่อนใคร <c oughs> ต้องรีบต้องรีบเร่งคนคนอยู่หลังนี่เหนื่อยเนะี่ยทำไมงานสองคนคนทวโ <c oughs> พธีดได่ไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ไปก็ไม่ค่อยไหวแล้วคะ่ะบ <c oughs> างงานก็ไม่ได้ไปนะคะอืม <c oughs> พอไปไปลำบากมันเป็นตอนกลางคืนนะคะอืมส่งส่งกันทางใจเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะได้ไปกาพะจาังไดอเชิญยินดีต้อนรับสมาทําไม่มีอะไรติดขัดวันที่ไม่มีอะไรค่ะยันต์ตัดขังแข็งแรงร่างกายทั้งใจนะโชคสบายทั้งกายทั้งใจ ขอบคุณค่ะพระอาจารย์พระกันแข็งแรงค่ะอพบกันสัปดาห์แล้วค่ะอาถูกไปที่คุณหมอแนทกับคุณตาหมอตาครับรมการครับอาจารย์ค่ะเป็นคนชิคเป็นคนชนบุรีหรือเปล่าแลเป็นคนที่ไหนอยู่ที่ชนบุรีครับครับอยู่ชนบุรีอำเภอเมืองครับ แต่บ้านเดิมอยู่สมุทรปราการกันค่ะสมุทรปราการครับก็มาอยู่ที่นี่นานแล้วครับมาตั้งรกลากที่นี่ตั้งแต่เรียนจบก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะยาวแล้วก็ดีใช่เลยก็เป็นเป็นบงที่น่าอยู่นะใช่ครับก็รถรถไม่ติดมากครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์ให้ให้ไปให้ให้ให้คอยไปกราบไปกราบเดินทางไม่ตาล ใช่ไม่มีวัดปฏิบัติหลายวันนะข่ัวคุณอาจารย์อนี้ดีมากเลยช่าครับวันนี้วันนี้ใต้ยังวันนี้ยังไม่เสร็จงานดีครับเดี๋ยวจะใกล้แล้วครับอาจรย์ครัอันนี้อาจจะมีงานบวกอันนิดหน่อยครับอ่มครับก็ทําไปตามหน้าที่ครับคขอให้ทำไปอย่างมีความสุขก็แล้วกันครับครับพระอาจารย์ก็พยายามจะเป็นสติไม่ไม่ทิ้งเรื่องนี้ค่ะพระอาจารย์นี่ ค่ะขอบคุณไม่ีอะไรนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะคุณหมอภาฒนาเฮ้หมอเข้ารายการนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีหลายหมอเลยก็พระ่ออาจารย์สอนดูง่ายๆอย่างพระอาจารย์แล้วมันทําตามได้ดูหบอกว่ามันมีกําลังใจค่ะอืดูง่ายๆทาไปเรื่อยๆทำแบบที่อาจารย์บอกแล้วมันก็อุยมันก็ดีขึ้นเรื่อย เพราะว่าพระอาจารย์ง่ายแบบพูดง่ายอ่ะพระอาจารย์มันแบบต้องขอบพระคุณมากเลยก็ยังเบาสบายร่มเย็นอยู่นะคะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาเดี๋ยังไม่ได้ไปวานเพราะว่าแบบจึงจัดเออยังไม่ได้ขึ้นมหาลูกเขาบอกปกติจะขึ้นไมหาลูกแล้วไปวานเยคะ่ะก็เลยจะไปหาพระอาจารย์ก่อนไปพรุ่งนี้ค่ะอ <Okay. S 2> ก็ยังปฏิบ อ, อยค่ yeah, ขะ <'ll> ขอบ พ, พระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคคุณมา น, นุงแลี้ยตาคุณมา แล้วัส ก, การครับพระอาจารย์เป็นยังไงปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไหมยังเพิ่มครับพระอาจารย์ผ ม, มไปวัดประทุมแล้วก็<ม>บางวันเนี่ยผมนั่งได้แบบพุทโธได้ทั้งวันแล้วก็นั่งสมาธิได้หลายรอบแล้วก็เบาสบายครับพระอาจารย์<ม>ครับแต่ว่าสัปดาห์เนี้มันมีความแตกต่างครับอาจารย์คือผมไปมุ่งงานแบบเอ่อเหมือนเราทําเรายัางทํางานอยู่ครับพระอาจารย์ก็ ไปบริหารจัดการเร่งหรืออะไรทํานองเนี้นะครับพระอาจารย์แล้วบางทีมันก็เลยไม่ได้ดังใจมันก็ออพปรากฏว่ามันกับขุนมัวครับพระอาจารย์อืมเวลาเราไปบริหารน้องๆ้อ ง, องลูกน้องอะไรเงี้ยนะครับอืแต่ว่าพอผมตั้งสติได้อย่างวันเนี้ยผมก็มานั่งสมาธิทั้งวันเลยครับพระอาจารย์ก็นั่งว่างปุ๊บนั่งสมาธิว่างปุ๊บพุโทโธก็ได้ได้นิ่งสงบครับพระอาจารย์แต่ว่า ความรู้สึกทางจิตใจผมเนี่ยมันต่างจากวันก่อนๆเยอะเลยครับ mm hmm. วันที่ปฏิบัติเต็มที่กับวันที่ไม่ปฏิบัติก็เลยได้ควาคิดว่าทีนี้ทํางานเนี่ยต้องอย่าไปอยากให้มันสำเร็จไม่ใช่ว่าอยากอยากไปเร่งอยากให้มันสำเร็จอะไรเงี้ยครับอาจารย์เขาคงได้แต่ทําในสิ่งที่เป็นหน้าที่ทําไม่ดีพอลพะพอไม่งั้นมันกลับเป็นเรามีความทุกข์ครับอาจารย์เพราะทําทไป ครับเราไม่รู้ตัวครับอาจารย์ทําไปทํามาี่อยากให้เป้าหมายไนสําเร็จอยากจะซื้อจัดจ้างให้สําเร็จอะไรเนี้ยครับอาจารย์ครับรรก็กลายเป็นว่ามันแย่เลยครับอาจารย์ทําให้ดีที่สุดแต่ผลจะมาอย่างไงก็ต้องเป็นไปตามเพศธรรมบัจัยครับพระอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ความแตกต่างเลยครับพอวันนี้ผมปฏิบัติทําได้มากขึ้นก็ได้สติว่าอต้องทําแบบที่เราเนี่ยอย่าไปอยาก อย่าไปอยากมันนะครับอาจารย์ต้องเตือนตัวเองตลอดว่าทําทําตามหน้าที่แล้วก็แล้วก็ไม่ต้องอย่าไปอยากมันนะครับผมผมวันนี้ผมคิดได้อย่างนี้นะครับอเอาทําเพตให้ดีที่สุดส่วนผลเราไปอยากมันไม่ได้ครับจนเกิดเกิดมากเกิดน้อยก็เรื่อมันไปครับรวมถึงบางทีลูกน้องเนี่ยสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยเราไปที่ทําไมแบบอยากให้เขาเหมือนกับเราเราลืมไปว่ามันอยากมันคืออยากนะครับอาจารย์ลืมไปว่าโอ้ยให้เขาเป็นอย่างนี้ทําไมไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏพอ ตั้งสติได้ถึงรู้ว่าจริงๆลืล่อๆเอาไปอยากมันนะครับอ mm ืม hmm. ครับอันนี้คือคือความแตกต่างนะครับพระอาจารย์แต่ที่ผมปฏิบัติเพิ่มขึ้นเนี่ยผมปฏิบัติทรมาตั้งแต่ได้ได้เดือนที่สิบเอ็ดนะครับพระอาจารย์ก็เริ่มตั้งแต่รักษาศีลเพิ่มเริ่มตั้งแต่มีรักษาศีลแปดแล้วก็ไปที่วัดตอนนี้ก็เริ่มนั่งได้มากขึ้นครับพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังยังไม่ได้นานๆนะครับอาจารย์นานๆหมายว่า S <S <an> <S เข้าไปถึงแวบแล้วอยู่ได้นานๆนะครับมันจะมีแวบมาบ้างมีแต่ว่าความสุขสงบนี่มีแน่ไม่คิดได้นานๆทําได้ก็พาาระอาจารย์เหมายถึงว่าพุทโธพุทโธอยู่พุทโธแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าพี่พระอาจารย์บอกครับ<ม>ครับนิ่งนานๆนะครับพระอาจารย์อาจจะได้แวบๆ แ, แค่นี้เองครับพระอาจารย์ เราแวะแล้วเราก็ขยับไปคเลยขยับไปเรื่อยๆหน่อยครับอาจารย์ถ้าเราพยายามไปเรื่อยๆมันจะต้องสําเร็จใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่มันก็อยู่ที่เวลาที่เราให้กับการปฏิบัติด้วยครับจะให้เวลามากผลมันก็จะเกิดขึ้นได้มากครับพระอาจารย์ก็ที่พระอาจารย์พูดว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะครับอืมที่อาจารย์เคยสอนตั้งตั้งตอนตลอดนะครับอันนี้หมายความว่าถ้าเราอย่างเช่นถ้าเราปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยเนี่ย เจ็ดเดือนเจ็ดปีมันก็แล้วครับแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเจ็ดปีก็ไม่สำเร็จนะครับโอ้เจ็ดใช่ก็ไม่ไม่ก็ไม่สําเร็จครับแต่ต้องพยายามทําเพิ่มเรื่อยๆครับครับพระาจารย์ครับดงนั้นถ้าเวลาผมทํางานเนี่ยหรือผมไปบริหารงานน้องๆลูกน้องอะนะครับผมควรวางใจประมาณอย่างไรดีครับโอเคครับเฉยๆไปทําหน้าที่ของเราไปส่วนผลเราไป สั่งมันไม่ได้มันปลูกต้นไม้แล้วไปสั่งให้มันออกดอกออกผลวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ครับก็เราเป็นหน้าที่ปลูกก็ปลูกไปเป็นหน้าที่ลดน้ําพ่นดินก็ทําไปครับแต่อย่างท่าครับครับพระอาจารย์ผลจะเป็นยังไงก็ครับอมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับเราสวยของเราเราทำเต็มที่แล้วแต่ส่วนของคนอื่นเราไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้ครับพระอาจารย์แต่เวลาทํางานมันจะมีเป้าหมายมีตัววัดอย่างเนี้ยครับก็ที่เราต้อง เพียงแต่มันจะได้หรือไม่ได้มันก็ต้องทําใจนะขอทําใจครับอาจารย์ครับครับเป้าหมายมันก็มีแต่มันจะได้หรือเปล่าบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้เกินบางทีก็ได้ขาดครับครับอาจารย์แต่อย่าไปอยากมันอนิจจังมันต้องมองอนิจจังและอนัตตาเพ้าหมายที่เรากําหนดนี่มันก็เป็นอนิจจังทุกขรังอนัตตาเหมือนกันครับพระอาจารย์ไม่ใช่คือเป้าหาที่เรากําหนดได้ ครับพระอาจารย์คือเพียงแต่อย่าไปอยากมันอยากก็โชคหมดเลยใช่ใช่ครับพระอาจารย์โลกที่มันเป็นก็ไม่ทุโชคครับมันเป็นอยากไม่รู้ตัวไปด้วยครับอาจารย์ใช่มันนิสัยนิสัยจิตเราเป็นอย่างนี้ทําอะไรมันอยากอยากให้ได้ดังใจครับพระอาจารย์ผมเลยว่าเข้าใจแล้วครับพอตอนเนี้ยก็มาเริ่มกลับมาพุดโธพุดโธหรือเวลาทํางานไปต้องพยายามหายใจหรือว่าพูดโธทไปครับใช้ใจรักด้วยทุกอย่างครับพระอาจารย์อนัตตาครับ ครับผู้อาวุโสเราสั่งมันไม่ได้มันมันดินฟ้าอากาศเลยครับพระอาวุโสครับกรับขอบพระคุณพระอาจารย์ผมก็จะปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและตั้งใจครับจะตั้งใจเพิ่มขึ้นทําขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะไปนั่งสมาธิที่วัดประทุมเหมือนที่เราจัดงาน่นะผมไปส่วนที่เป็นสวนสวนป่าครับอาจารย์ที่เมื่อก่อนมีท่านอาจารย์ภาาปฏิบัติอยู่ที่นั่นตอนนี่ท่านมาผาไปแล้วครับผู้อาวุโม ผมก็ไปนั่งสมาธิเลือกษาศรัทธาไม่มีใช่ใช่ครับพระใช่ครับพระอาจารย์ที่ทเยสะไหมมีคนเยอะไหมคนน้อยครับพระอาจารย์คนผมไปก็จะประมาณยี่สิบคนไม่เกินสิบคนอะไรยิ่งครับคนน้อยมากโอ้ที่นั่ยโอที่นั่งสบายครับพระอาจารย์ก็เราชอบเก้าอี้ก็มีเก้าอี้ชอบนั่งนั่งพื้นก็นั่งพื้นได้ครับครก็ไม่มีไม่มีเสียงอะไรไม่มีไม่มีเปิดธรรมะเลาจะมีบางทีมีพระเทศนะครับ แต่ถ้ามีมพระเทศมีบันการแต่ว่าถ้าพระเทศผมก็นั่งสมาธิครับแต่ถ้าไปช่วงที่ไม่มีพระเทศเนี่ยเราได้นั่งสมาธิแล้วก็สงบดีเลยครับครับมีพระมาเทศบ้างสลับมานะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่มีพระเทศก็สบายกว่าครับอาจารย์ก็นั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็พอวันเสาร์ผมก็จะฟังช่วงบ่ายสองจะฟังรายการอาจารย์อยู่แล้วนะครับจะเข้ามานั่งสมาธิเหมือนไปวัดครับอืมครับที่นั่นก็เปิดทั้งทั้งวันเลยใช่ไหม เขาเปิดทั้งวันครับอาจารย์เปิดตั้งแต่จนถึงค่ำๆเลยนะครับถึงสองสามทุ่มแต่ว่าก็จะไม่มีคนอยู่ลนะถึงสองทุ่มครับแล้วก็แต่ไหนเช้าก็ไหนเช้าครับแปลกนะคนในกรุงเทพเป็นร้านมีมาปฏิบัติการอีคนผมผมยังไม่ทราบเลยครับผมไปถึงก็มีอยู่สิบยี่สิบคนเองนะครับพระอาจารย์ก็ยังเสียดายเลยครับผมนน <c oughs> สถานที่ก็คือผมตอนนี้ผมเชื่อเรื่องสถานที่เนี่ยเหมือนกับ เออ ม, มีมีเทวดามีอะไรอยู่ด้วยนะครับบางสถานที่เข้าไปก็นั่งแล้วก็นั่งเป็นไปที่นั่นเป็นสมาที่ได้เร็วมากเลยครับอาจาอื์ครับแต่ว่าถ้าอยู่บ้านก็อีกแบบนะครับอยู่บ้านก็จะจ ะ, จะน้อยกว่าซึ่งก็ไม่น่าเชื่อบรรยากาศเหมือนกันครับอ า, า, า, า, าจารย์แล้วบรรยากาศ ก, ก็ทําให้เราสงบอะครับอืมกายวิเวกจิตวิเวกครับอาจารย์ถ้าเราร่างกายอยู่ที่มันสงบใจมันก็จะสงบตาม ครับพระอาจารย์ผมคล้ายๆกันตอนที่ไปนั่งถ้าไปนั่งปฏิบัติธรรมที่เวลาไปไปกราบพระอาจารย์วันเสาร์วันอาทิตย์ น, นะครับถ้าอยู่ที่ตรงนั้นอ่ะเออก็แปลกว่าสมัยเข้าสมาธิเร่ง่ายแล้วก็เร็วมากครับบรรยากาศมันสงบกว่าที่อื่นนะครับจนพรพรย า, ยาผมว่าพระอาจารย์นําเข้าหรือเปล่าหมายว่าอยู่พระอาจารย์พระอาจารย์อะไรดึง ตรงหน้าตรงตรงที่นั้นเราเข้าทําให้เราเข้าได้ง่ายครับอยู่ที่สเต็ปของเรามันไม่มีอะไรมาช่วยให้เราต้องเผลอไงครับครับเสียงภายนอกหรืออะไรมันไม่ค่อยมีมันกับที่อื่นครับอาจารย์ครับในอย่างก็อาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนนั่งกัแล้วก็เลยต้องมีความอต้องแน่งไปต้องเพิ่มขึ้นกับตัวเราเองด้วยใช่ใช่ครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไปตรงนั้นเราก็นั่งเต็มที่เลยอะครับอืนะครับ ตัววันนี้ผมผมก็กลับมาพอช่วงบ่ายสองก็จะฟังพระอาจารย์แต่ว่าถ้าวันไหนไม่ได้ก็จะมาฟังตอนเย็นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้เปิดเปิดคำบรรยายพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์จะเทศครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนั่งอย่างน้อยก็ยังได้ได้เป็นรอบรอบรอบละรอบละหนึ่งชั่วโมงครับอืครับก็ได้ฟังธรรมที่พระอาจารย์สอนว่าให้ให้ใจอยู่ธรรมะแล้วพอพอเป็นธรรมะปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ครึ่งชั่วโมงนี่ คลิปหนึ่งชั่วโมงต่อไปเนี่ยจะจะสงบมากเลยนะครับก็เป็นคลิปที่เป็นสิ่งที่ผมปฏิบัติแล้วได้ดีครับเนีครับโอเคทําต่อไปครับพระอาจารย์จะปฏิบัติอย่างเต็มที่นะครับเราจะตั้งใจตั้งใจทำปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนและพระอาจารย์สอนครับอย่างเต็มที่ครับสาธุนครับจ่ากรมรุจารออาจารย์ท่ากันขุ่งแรงครับอรนเจลเกล้าหน้าท่านได้ทำไปเรื่อยๆนะจ่าพระอาจารย์ครับ ขอบคุณครับโอเคคุณนสาธารณต่อไชน่าน้ำท่วมหรือยังค่ะอืมน้ำไม่ท่วมค่ะอาจารย์แต่ว่าใกล้ๆต้องดูเรื่อยๆอ่ะมันขึ้นด้วยนะมัขึ้นมาเรื่อยค่ะแต่น้องบ่อยน้ําออกมาใช่แต่ว่าวันนี้เหมือนมันมันมันมันไม่ปไม่ขึ้นอยู่ตัวฝนหรือลฝนไม่มีแล้วนี่ใช่ค่ะ ค่ะมาฟังทำค่ะอาจารย์ปฏิบัติค่ะอ่าสาธุอ่าคุณอุษาต่อคุณอุษานวัตกรรค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงกลับถึงบ้านแล้วกลับถึงบ้านแล้วคะ่ะไปรอบนี้แบบมีความสุขมากๆเล ย, <ừ> um. ยกกค่ะอาจารย์ยมยมต้องกลับขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานที่ทําให้มีเรือนภาวนานี้นะคะอื <ừ> um. ตอนนี้ ยมไปอยู่ยมนอนข้างนอกเลยคะ่ะอาจารย์แล้วก็ลงไปที่ลงไปเดินที่ถ <Yeah. S 2> น น, นหน้าเรือนสี่ตอนกลางคืนค่ะ oh. แล้วค่ะยมเอาไฟฉายใส่ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ไปเดินกวาดลานก่อนแล้วก็เดินทีนี้ไปเดินไปเดินมาเอ๊ะเดี๋ยวเขาตกใจเห็นไฟแวบๆ แ, แล้วก็เดินปิดแล้วก็เดินเดินได้อยะะู่ค่ะอาจารย์อืมแล้วก็แต่ว่าการออกไปนอนนี่มันนอนไม่ได้ไม่ใช่กลัวนะคะมันหนาว มันเราไม่ได้เตรียมเครื่องนอนไปนอนไงคะโยมก็อยู่ในกระโจมอยู่ในเต็นท์นะคะแล้วก็อลองนอนดูนอนไปได้ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตื่นมันหนาวมากค่ะแล้วก็เลยเข้ามานอนต่อไปคืนนึงก็เอาห่อผ้าห่มออกไปนอนก็นอนได้ประมาณถึงเที่ย ง, งคืนครึ่งไม่ไหวบอกไม่ไหวไม่ไหวเข้ามานอนข้างในต่อค่ะจนันก็ก็ได้ค่ะจากเดิมที่ก้อนหินหน้าเรือนสามโยมไม่กล้าดูคาำน้ยมดู เ, เขาเขาสวยค่ะจนัน ไม่มีอะไรน่ากลัวนะไม่ค่ะจา์ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วค่ะโยมเดินพอตอนที่ตุ้มเข้ามารับกลับตอนตีห้าครึ่งอะค่ะโยมก็เดินลงมาคนเดียวแล้วก็มาเจอกันครึ่งทางได้แล้วค่ะจา์ไม่เป็นไรแล้วค่ะอืมค่ะ <laughs> ใจเมันชอบหอตัวเราเองคือมันอาจจะตอนแรกๆที่ลงไปอะไม่ได้คิดเอ้ยยืนมองอยากจะลงไปนะคะอยากจะลงไปเดิน แล้วก็บังเอิญว่าเรือนหกเขาเปิดไฟหน้าเรือนเขาคงจะกลับบ้านแล้วก็เตรียมกวาดเลย น, นะคะโยเห็นมันสวยงามก็เลยเดินลงไปเดินนะคะจันแล้วก็เออมันก็เดินได้นี่นาก็ก็เดินได้ค่ะชอบอยู่จันชอบเดิแต่ว่าการภาวนาของโยมตอนแรกๆที่ขึ้นไปสามสี่วันแรกนี้ไม่ได้เลยนะคะจาย์เพราะว่าจากเดือนที่โยมกลับมาเดือนครึ่งไม่ได้ภาวนาไม่ได้กลับไปก็เลยอาศัยวันที่สี่วันที่ห้าค่ะเรือนสี่เขาว่างถนนหน้าเรือนว่า โยมเดินวันนั้นทั้งทั้งวันวันนั้นวันเดียวหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะจันประมาณสิบสองกิโล ก, กว่าค่ะ <S <S 2> <S 2> เดินเดินเดินเดินเดินอย่างเดียวเลยค่ะจย์เพราะว่าเรานั่งก็เรานั่งไม่ได้มันฟุ้งไปเดินอย่างเดียวค่ะ <S <S แล้วคำขออาจารย์บอกว่าทําปัจจุบันให้ดีอัไหนที่มันฟุ้งก็ไม่ปล่อยเดือนไปแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองค่ะจนันไม่ไม่ไม่ทําให้ตัวเองรู้สึกกดดันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หน้าต่อ ตอนนี้ก็พอกลับมานั่งในกระโจมตอนกลางคืนใช่ไหมคะนั่งในเต็นท์นะคะแล้วก็มารู้สึกร้อนเหมือนจะรอบหัวเหมือนกับมันมีละอุกออกมาค่ะมันเป็นขาวๆโยมก็เลยกําหนดให้มันเผาตัวเองแต่ไฟที่มันเป็นเผามันเป็นไฟสีขาวนะคะจางไม่ใช่เป็นไฟสีแดงเหมือนที่เราปวดท้องเป็นไฟสีขาวโยมก็กําหนดให้เขาเผาตั้งแต่หัวไปถึงตลอดตัวค่ะจา์แล้วก็เมื่อเรานั่งอยู่ท่ามกลางกองไฟสีขาวค่ะจา์แล้วก็ มันมอดม้วนไปเหมือนกับไฟไหม้พลาสติกแบบนั้นนะคะอาจารย์แล้วก็จนเหมือนตัวเรานิ่งความร้อนมันก็หายไปแต่มันยังไม่สงบพญยมยังนั่งเข้าภาวนาอย่างไม่ได้ยมก็เลยกําหนดเป็นสาอาการสามที่สองแยกแยกแยกแยกออกมาคราวนี้มันก็เลยเข้าสมาธิได้แล้วค่ะอาจารย์พอวันเขาจากนั้นก็เข้าได้ค่ะแล้วก็ได้นั่งดีขึ้นเยอะค่ะอาจารย์ดีขึ้นมากเลยแล้วขนาดขนาดเรารู้วิธีนะคะแต่ว่าพอเราห่างไปเนี่ยเราเข้ายากมากเลย แต่ตอนที่โยมไปนั่งสมาธิที่หน้ากุฏิพระอาจารย์นะคะมันนิ่งค่ะอาจารย์มันนิ่งเข้าไปนิ่งนิ่งมากจออาจารย์บอกว่าหมดเวลาแล้วโยมยังไม่สามารถออกจากการนิ่งตรงนั้นได้เลยยังนั่งนิ่งอยู่อีกเจอทายจับว่จะให้พอป็นคาถาบาลีอ่ะยังไม่ออกคนได้ยินเสียงคนข้างๆเขาก้งกลับแล้วยยมก็เฮ้ยพยายามก็เลยดึงออกมาค่ะจะจะฝืนอยู่ก็ประหลาดนั่งอยู่คนเดียวโดยอยู่ค่ะอาจารย์โยมก็เลย ถอนออกมาแล้วก็ถึงจะกราบได้ครับมันรู้สึกนิ่งมันมีมันไม่ออกอาจานแพร่หล่าวอาจารย์บอกว่าจะให้พอแล้วยมยังยมก็ยังนั่งจนกระทั่งอาจารย์เริ่มแล้วคนข้า ง, างๆได้ยินเสียงเขาหมอบลงแล้วอะค่ะยมถึงได้ถอนออกมาแล้วก็ก้มลงก้มลงค่ะจันใช่บางทีเวลามันสงบบางทีถอนออกมายากแล้วมันยังไมพ่พอใช่คร่ะ ย, ยมมันจะถอนถอนถอนไม่ได้ค่ะจย์จนกระทั่งได้ยินเสียงคนข้างๆ หมอบหมดแล้วโยมก็เอ๊ยเอาไงดีจะนั่งโดอยู่ก็ไม่ได้เดี๋ยวว่าไม่เขารบขอบวนจ้างก็เลยถอลงมาแต่น้ำตาร่วงนะคะจารู้สึกมันปิติน้ำตาซึมเลยค่ะมันแบบโอ้มันเป็นค่ะไม่ต้อง่านนั่งต่อไปก็ได้คนื่นเขาไม่ว่าเราเราต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนได้นะคะได้ถ้าเรานั่งสงบนิ่งๆไม่ไม่ไปทำให้คนไหนเขาเดือดร้อนไม่เป็นไรเนาะคือแบบโอ้มันนิ่งแล้วก็มัน ได้ยินนะคะได้ยินเสียงอาจารย์บอกว่าหมดเวลาแล้วนะจะให้พรแล้วนะได้ยินทุกอย่างค่ะอาจารย์แต่ว่ามันมันแค่ได้ยินเสียงแต่อย่างอื่นมันไม่มีแล้วยมก็ได้ยินเสียงคนงข้างๆก้มหมอกเฮ้ยทาไงดีอาจารย์ช่วยยมด้วยอาจารย์ช่วยโยมด้ยมก็เลยถอนออกมาได้ค่ะอาจารย์แล้วพอกลางคืนกลับไปนั่งก็นั่งได้ดีค่ะอาจารย์กลับนั่งได้ดีแล้วคะอืมค่ะ <c oughs> มันหลังไม่ต้องถอนอะไรมันก็ได้ถ้าจิตสงบปล่อยให้มันสงบไปอืมค่ะอืม ถ้างั้นโยมโยมได้เรียนอาจารย์ไว้ก่อนแล้วก็โยมจะได้ไม่รู้สึกผิดปกตินั่งโดยคนไม่ไม่เสียหายตรงไหนเราด้านเฉยของเราค่ะค่ะโจคุณโยมมีความสุขดีค่ะอาจารย์แล้วก็โยมโยมเข็ดแล้วค่ะอาจารย์หนึ่งเดือนผ่านไปนั้นที่โยมหมตะเดินจงกรมแล้วก็อ้างว่าตัวเองป่วยอ้างป่วยจนคือท่านอาจารย์บอกว่าแล้วถ้าติดเตียงละ่ะเพออาะาัย์พูดคํานี้ปุ๊บเออใช่ถ้าเราติดเตียงลย่ะนี่ค่ะอาจารย์โยมก็เลยได้ได้ไดม้มันไม่เขา ย, ยอมนั่งสมาธิกัน จะเดินจงกรมได้าเดียวกิเลสมันต่อต้านเวลานั่งสมาธิจิตเด่งกิเลสทํางนานไม่ได้เลยคือน้ํำมูกมันเยอมอากาศที่นี่พยมกลับมาที่นี่ฝนตกหนักทุกวันแต่ตอนเย็นๆอาจารย์แล้วก็มันก็แต่อยู่บนเขาไม่มีฝนตกแล้วก็เดินแบบโยมไปอยู่เรือนสามล้มนี้ความจริงนะคะอาจารย์โยมขอสารภาพตรงๆว่าทุกครั้งที่โยมขึ้นเขาโยมจำไม่มองเรือนสามละโยมกลัวค่ะอาจารย์แต่รอบนี้โยมได้เรือนสาม กลัวค่ะจาย์ ร, ร, รู้สึกว่ามันทึมๆน่ากลัวข้างหน้ามันเป็นป่าอะไรไม่รู้ก็จะไม่มองเขาเลยครัไม่มองเลยจันยมจะไม่มองก้อนหินเดินผ่านยมจะไม่มองแต่คราวนี้ขึ้นไปปุ๊บได้เรือนสามเอาเรือนสามก็เรือนสามเป็นไงเป็นอ่ะข้างหน้าไปรูปก้อนหินเลยเอาคราวนี้ดูก้อนหินสวยแล้วค่ะจันอ่าแล้วไปต่อไปก็ไปไปแต่ไปไปรูปตัวก้อนหินเลย <laughs> ตาทุกขค่ะจารย์ ตอนนี้แต่โยมก็ขอซ้ําอีกค่ะจันเดือนหน้าโยมไปโยมขอตรงนี้อีกค่ะโยมขอไปเดือนสามอีกค่ะจันโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆ <Yeah. S 2> ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยคะ่ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่เจอโยมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความเมตตาค่ะจารย์ัน mm hmm. โยมก็จะพยายามมากขึ้นค่ะตอนนี้ก็คือก้อนหินหน้าเดือนสามสวยแล้วค่ะแต่มีกบขึ้นมาอึ่งอ่างขึ้นมานอนด้วยะคะ่ะจ mm ัม hmm. ค่ะขอบพระคุณ <Okay. S 2> พระอาจารย์นะคะตาทุค่ะสาธุค่ะิรักษมเสมอค่ะคุณปุยการงานวัฒนการค่ะพอาจารย์คุณปุ้ยค่ ะ, ะรายงานต<ะ>ือคุณปุ้ยก็สบายดีเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไม่ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะ คือก็กลางวันก็สี่เจ็ดแล้วก็กลางคืนกันเย็นเย็นก็สี่แปดโยมอ่ะมีอยู่วันเดียว <pper pper> ก็คือวันอาทิตย์อ่ะพยาอาจารย์ที่แบบว่าโยมเอ่มม อ, อมีวันอาทิตย์อ่ะที่โยมต้องไปกับลูกชายพอดีโยมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเออนอน้องน้องน้องชายกับน้องสะพ้ายของส า, ามีเก่าโยมอ่ะเขาอายุครบแปดสิบปีแล้วเขาจัดงาน แล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะแบบคือเราก็รู้ว่าเขาไม่สบายเยอะและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ที่จะจ ะ, จะได้เจอกันน่ะเราโยมก็เลยตาสินใจยอยู่ตั้งนานโยมก็ไปก็ไปทีนี้โยมนะปกติโยมจะกินนะก่อนก่อนเที่ยงแล้วโยมจะไม่ทานนะแล้วมันมันปฏิเสธไม่ได้โยมก็เลยขอเข้ามาเลยก่อนไปโยมนึกในใจกระบอกกับพระพุทธเจ้าว่าโยมขอเข้ามานะวันนี้ โยมต้องทานช้าไปสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิดศีลเลยพระอ<ม> <c oughs> นาจารย์โยมแบบไม่เคยแบบทานอย่างเี้เลยแบบโยมโอ้โหรู้สึกลายใจมากเลยแบบโอ้โหกลับมาแบบวันรุ่งขึ้นวันจันทร์โยมนั่งสมาธิเลยกลัวบาปบกเพราะว่าเราแบบไม่เคยทำอย่างนี้แต่ว่า เราก็ตัดสินใจว่าถ้าเราไม่ไปมันจะเป็นการที่ว่าเหมือนกับว่าเราไม่ให้ความเคารพเขาและเราไม่มีความเมตตาและพระท่านอาจารย์บอกว่าให้ให้มีให้มีความเมตตาและให้ให้ความจรินใจกับเขาโยมก็เลยเอาเลยว่าเพราะว่าเขาอุตส่าห์แบบมีความจริงใจกับเราอีกอย่างเราก็รู้จักเขามาสามสิกว่าปีค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็ดูแลลูกเราดีด้วยค่ะ โยมขอเข้ามาจริงๆพระอาจารย์นั่นโยมจะมาขอพลังขอให้โยมอ่ะได้พลังจะได้ได้เจริญในธรรมอ่ะสตินี่หละตัวที่จะผลิตพลังขึ้นมาพยายามาอย่างพุงโทธโธพุทโธไปเรื่อยๆโยมทะเลาะกับตัวเองอ่ะท่านอาจารย์เพราะว่าบางทีอ่ะโยมตื่นขึ้นมาแล้วแล้วแบบนั่งสมาธิไปหนึ่งชั่วโมง บางทีโยมฟังพระอาจารย์แล้วพอโยมไปฟังหลวงตาบัวนะโยมก็มีสติแล้วพอโยมมากลับจะมานั่งต่อมานั่งฟังพระอาจารย์มันชอบหลับอะ่ะไม่รู้เป็นยังไงตอนเ ช, ช้าเช้าอ่ะท่านอาจารย์มันก็คงจะง่วงใช่ไหมถึงหลับโยมก็ไม่รู้มันผีมันแกล้งหรืออะไรโยมก็ไม่ค่าไม่ได้กลัวผีแล้วนะท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวกกลัวนะไม่กลั ว, ล, วละ ม, มันเกี่ยวกับมันง่วง แต่มันง่วงมันก็หลับไปเลยใช่แล้วแบบบางครั้งอ่ะท่านอาจารย์ครับโยมเป็นอะไรไม่ทราบหรือโยมจะป่วยโยมก็ไปหาหมอแล้วแบบโยมก็คิดว่าเอ๊ะไปเอายามากินดีกว่ามันเหมือนกับเป็นจิตจิตจิตเราคิดไปเองหรือจิตเราปรุงแต่งไปเองหรืออะไรทุกครั้งเวลา ก, กินข้าวโยม เ, ยเราอดข้าวถ้งเราปาระกันได้จะไม่งม่วงอือแต่โยมไม่ได้กินตอนเย็นนะท่านอาจารย์เราไม่ได้กินทั้งวันเลย อดไปทั้งวันเลยดูกินแต่น้ำอย่างเดียวจะต้องต้องลองต้องลองดูน ะ, ะและรับรกันได้พอไ่ไมไมงค่ะพอโยมมานั่งสมาธิปกติโยมก็นั่งดีแล้วทีนี้พอโยมนั่งสมาธิแล้วแบบมันเหมือนอีอะไรมาจุบที่คออย่างเงี้ยเหมือนอกับอาการของจิตไม่น่าไปกังวลกับมันอย่า ไ, ไปสนใจให้อยู่กับกรรมาฐานที่เราใช้ถ้าเราดูลมก็ดูลงไปพุโทโธก็พุโทโธไป ไม่นั่งไปสนใจกับอาการต่างๆได้เกิดขึ้นแต่พอเวลาโยมอ่ะนั่งผ่านไปสักสิบนาทีพอจิตมันนิ่งใจนะแล้วมันก็ไม่มีอาการอย่างนี้โยมก็ยังสงสัยว่าเอ้มันผีมันแกล้งเราหรือไงว่าโยมก็คิดในแบบเฮ้ผีแหละจินเนี่ยแหละมันเป็นตัวแกล้งเราจิตมันผลิตอาการต่างๆขึ้นมาเวลาที่เราไม่มีสติเวลาที่จิตเราไม่เน่ง ม, มันก็จะผลิตเรื่องราวต่างๆ อามันนิ่ง ป, ปงั๊บมันกหายไปหมดเลยอะจริงค่ะจริงค่ะเรื่องนี้เรื่องจริงโยมก็ไม่ไปไหนแล้วแหละโยมก็อยู่ในเนี้ยอยู่กับท่านอาจารย์เนี่ยแหละถือสิ่งเจ็ดถือสิ่งแปดของโยมไปนี่แหละเพราะว่าโยมรู้ว่าถ้าทางเนี้ยมันเป็นทางที่ดีแล้วมันสงบนะท่านอาจารย์คะโยมไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นนรกสวรรค์อะไรอย่างนี้แต่โยมรู้สึกว่าเราสงบถึงพอเวลาเราไปดูอะ คนอื่นอื่นข้างนอกอย่างเงี้ยยมรู้สึกเลยว่าเออเรารวยบุญนี่มันมีจริงเนาะมันมีความสุขจริงจรงยมรู้สึกได้เลยค่ะแล้วโยมก็ไม่อยากเกิดแล้วยมยมอยากจะอยู่อย่างเงี้ยเมื่อวานโยมก็ปฏิบัติค่ะเมื่อวันวันที่สิบเอ็ดนะคะยมก็ปฏิบัติถวายพระหนวงปู่ท่านค่ะ โยมก็อยากจะไปเจอหลวงปู่โยมโยมบอกแล้วบอกโยมจะปฏิบัติลามพระอาจารย์ไปเจอหลวงปู่มั่น <c oughs> ดีโอเค <c oughs> มีอะไรอไหมไม่มีเจ้าค่ะโยมมาขอรับพลังขอให้ <c oughs> ขอให้โย ม, มได้ดวงตาเห็นธรรมทีนะพระอาจารย์คอยมาเจริญสตินั่งสมาธิบ่อยๆแล้วนะเดี๋ยวก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาต่อ ค่ะขอไอโยมอย่าขี้เกียจนะท่านอาจารย์จ้าเดข อ, อ ข, ขอให้โ ย, ยมโยมพยายามทําทุกวันเลยเพราะว่าโยมจะถวายบุญกับท่านอาจารย์แล้วก็หลวงปู่มันท่านแล้วก็หลวงตาท่านโพ้แล้วโยมขอให้ท่านอาจารย์ทัขดขันแข็งแรงเจ้าค่ะจ้าสาธุจ้ า, าไปที่คุณสันนิตร ซันนะ่อยู่ตองไหนกรุงเทพเขียนนามกันกกรพระอาจารย์ค่ะอยู่เอ่อคลองสามวาแถวมีนบุรีค่ะพระอาจารย์ทำไมทางตอนออกของของกรุงเทพนะฮะใช่ค่ะพระอาจารย์ตอนออกใกลจากแถวราชกระเบนไหมหรยอวใกล้ใกลราชกระบังค่ะถึงราชกระเบนถึงก่อนเนี่ยจากกรุงเทพไปน่นถึงก่อนราช ก, กระบเบนนะฮะราช ก, กระเบนถึงก่อน <c oughs> หนูไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนจะแกลกแต่ว่าไม่ไกลกันมากค่ะพระอาจารย์ไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่เป็นแนวเดียวกันใช่ไหมไม่ไใช่ค่ะอืะอะใช่แต่ว่าติดแถวพวกหนองจอกอะไรพวกนี้ค่ะอืะมเังดูในกรุงเทพนี้กาจะกลายเป็นเมืองเดียวกันแล้วใช่ค่ะแต่ก่อนเป็นเหมือนเคยอ่านแต่ก่อนเป็นคนละจังหวัดกันแล้วก็ค่อยมารวมกันทีหลัง อันนี้เป็นี้กไม่การธรรมอเลยใช่ค่ะตอนนี้เป็นกรุงเทพค่ะแล้วก็มีบุรีก็แยกแยกแยกซอยมาอีกเป็นตอนแรกเป็นเป็นเขตมีนก็แยกมาเป็นเขตคลองสามวาอีกอีกอันหนึ่งค่ะมันเพราะว่าพื้นที่มีนบุรีเขาค่อนข้างกว้างอืมแกเลยแบ่งมาอีกอืมเดนมาทางานที่บ้านมาทํางานแถวๆนั้นทํางานทํางานแถวบ้านค่ะพระอาจารย์อืม ค่ะ<ด>ก็ ด, ดีว่าไม่ต้องนั่งรถไกลค่ะอาจารย์อประหยัดเวลาแล้วก็มไม่วุ่นวายเรื่องเรื่องการเดินทางค่ะรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะอยู่ข้างนอกใช่ใช่ค่ะรอบนอกไม่ค่อยติดแต่ก็ติดบ้างตรงทางไปมีอะไรอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูทางานอยู่หน้าหมู่บ้านตัวเองเลยค่ะก็เลยก็เลยสบายหน่อนยเดินไปก็ได้นะ เอ่อแต่หมู่บ้านมันลยกค่ะอาจารมาณห้ากิโก็ต้องขับรถออกไปหมู่บ้านลึกมากค่ะเขาบอกเป็นหมู่บ้านหนี้นี่ค่อน ข, ข้างลึกค่ะค่ะอาจารย์ก็วันนี้ไม่มีคําถามค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้นคุณแม่ก็อเอคุณแม่ฝากบอกอาจารย์ว่าไม่ไม่เล่นไม่ได้เล่นแล้วค่ะ เาื่อเช้านี้ถามโยมคนหนึ่งเขาอตอนนี้มันไซเว้เอไซเว้ไม่ดีเลย <laughs> แต่ก็ขึ้น <laughs> ขึ้ น, นเหมือนจะขึ้นมา น, นิดนึงเขาไม่เล่น <laughs> แต่เขาก็ยังเปิดฟังทั้งวันนะคะอาจารย์เราก็เลยได้ยินไปด้วยเลยค่ะก็เหมือนจะขึ้นขึ้นอยู่แต่ก็แม่บอกว่าอตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วแ ต, แต่ขอฟัง <laughs> ยังขอฟังอยู่คะ่ะ <Okay. S 2> ขอฟังสถานการณ์ยอมย้อมยอนไปยอมไปมันแช่แข็งไว้เลย ใช่ค่ะก็ก็กอหนูหนูเอามาเองค่ะเพราะว่าหนูหนูคือหมายถึงเหมือนหนูซื้อต่อจากคุณแม่ราคาทุนนะคะคุณแม่ก็จะได้ไม่เครียดมากก็เหมือนเขาไม่ขาดทุนประมาณนี้ยค่ะหนูมาถือเองก็รอมันขึ้นแล้วค่อยขายก็ได้ไม่เป็นไรค่ะนี่ตลาดหนูหนูไม่เครียดนะใช่ค่ะหนูหนูไม่เครียดแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูถือว่าหนูหนูไม่ได้เล่นเก็งกําไรค่ะแค่เก็บไว้เป็นแบบ เป็นอีกก้อนหนึ่งเลยเป็นระยะยาวใช่ค่ะเป็นแบบทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเฉยๆค่ะกอเลยไม่เครียดค่ะโอเคค่ะทางธรรมะมีอะไรบ้างครับทางธรรมยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้ก็สีนเจ็ดจุดห้าวันนี้สินแปดค่ะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเจดจุดห้าค่ะไปอ่านนิยายค่ะอาจารย์ ค่ะแต่เดี๋ยวจะกลับมาสินแปดค่ะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติอยู่ค่ ะ, <Okay. S 2> ะค่ะพระอาจารย์พอพูดถึงก็มีคำถามนิดนึงค่ะหนูเวลานั่งสมาธิรอบรอบแรกอะค่ะจะนั่งได้นานแต่รอบที่สองที่สามมันจะนั่งได้แบบสั้นลงเป็นเพราะว่าสติเราน้อยใช่ไหมคะสติเราหมดอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ส่วนหนึ่งก็สติหมดเกิเลสมันก็มีกาลังมากขึ้นด้วยมันอยากจะผลักให้เราไปทำอย่างอื่น แล้วเราควรจะทำยังไงคะหรือว่าก็พยายามนั่งต่อไปไม่ต้องสนใจเวลาว่าสัา้นหรือไม่ไม่ยาถ้าจะนั่งต่อต้องขยันพุโทโธอย่านั่งเฉยๆขยันพุโทพโธแล้วถ้าอาการ32ทำอะไรไปถ้าดูลมนี้เฉยวันอาจจะมีกำลังน้อยก็ใช้การสวดมนต์ก็ได้บริกรรมพุโทโธก็ได้รือวถ้าอาการ32ก็ได้ มันจะทาให้จิตเรามีกําลังมากขึ้นสติมีกําลังมากขึ้นค่ะพระาจารก็จะพยายามแต่ว่าอาจจะช่วงนี้สติอาจจะไม่ค่อยดีสวดมนต์ก็ได้ต้องทัองบทสวดมนต์ไปก็ได้ทําทําไปในใจเนี่ยทำในท่านั่งสมาธินะค่ะอ๋อถ้าจะนั่งดูลมเฉยๆมันมันสติมันมีกําลังไม่พอสู้กิเลสไม่ไหว ค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะลองไปปฏิบัติดูค่ะขอบคุณครับพระอาจารย์สาธุตามทุกต า, าคุณแม่ยังไงคุณแม่การบรรจมบนข่าววันนี้ดีไหมธรมศาสตร์ศกาศาดีค่ะพระอาจารย์อากาศที่นั่นก็ดีมากเลยค่ะแต่ลงมาชุมบุรีแล้วร้อนมากเลยค่ะอื ม, <า>มข่าวงเงียบสงบดีนะเงียบเงียบสงบแล้วก็มันเป็นธรรมชาติอะค่ะ เพราะว่าหนู่าเคยคิดว่าอยากจะไปนั่งที่ปฏิบัติธรรมที่มีทานน้าตกอะไรเงี้ยค่ะปรากฏไปง่วนนี้มีมีน้ําเสียงน้ําไหลทานน้าไหลไปลายไปดูฝนมันจะมีน้ําค่ะไม่ีมีทานน้ําไหลมีมีดอกดอกไม้ที่เห็นดอกอะไรนี่ขี้เหล็กอเมริกาหน้าหน้าเลยนะคะอืมแล้วก็มีเสียงนกแล้วมันเป็นธรรมชาติมันก็สงบอะค่ะกายไม่เวจิตไม่เวก ค่ะแล้วก็มีกวางมีมีลิงมาแถวกรดมันก็ทําให้เราเห็นถึงวัตจัความน่ากลัวของวัตตัที่ว่าทาไมถ้าชาตินี้มันไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวไม่รู้จะพลาดหรือเปล่าเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าหน้าจะเล่ากลับมาเกิดใช้กรรมก่อนก็ได้นะ <laughs> มันก็มันก็กลัวนะคะพรอาจารย์ <laughs> <laughs> ทีนี้จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้ า, ถ, าถ้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องมีสติ ต, ตลอดเวลาแล้วจริงๆแล้วเราต้อง ตัดการคุกคีด้วยไหมคะกับมนุษย์ก็ต้องเหรที่ส่วนก็คืออยู่คนเดียวอย่างที่พะเจบอกว่าไม่คุกคีกันอยู่เปรตวิเวกอยู่ที่สงบสงัดไม่คุกคีกับใครค่ะอยู่คนเดียวก็จะพยายามตัดตัดสังคมออกให้มากที่สุดทั่งทินตอนนี้หนูก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วคะ่ะนอกจากไปช่วยเหลือสัตว์กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พบปะผู้คนที่ ที่ช่วยเหลือสัตว์ด้วยการแต่ส่วนใหญ่ส่วน ใ, ใหญ่งานสังค ม, มอะไรหนูก็ไม่ได้ไปแล้วค่ ะ, ะเราสังคมวนหนึ่งก็ชวเนชวเราไปงานนู่นชวนเราไปงานนี้ถ้าเราไม่ไปกับเขาอาจจะทำให้เรานำเกียดเขาได้ไงใช่ไหมเดีย๋ยวมีงานสพ บ, บา<ร>้ง า, บบางมีงานบวชบ้างมีงานอาทิบ้างอะไรต่างๆนะงานพวกนี้มันเปงานบนสำหรับนักภาวนาเ น, นี่ยไม่ควรไปสนใจแล้วตัะไปได้เลยที่หนึ่ง งานกระเพื่อมปีนี้หนูก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ <c oughs> ใจะทําบุญก็บอิจาคเงินไปโอนเงินไป <c oughs> เอาเวลามาให้หกับการภาวนานดีกว่า <c oughs> ผลตอบแทนมันได้มากกว่าแล้วแล้วตรงที่บอกว่าสัมปชัญญะเนี่ยมันหมายถึงว่าเรารู้ตัวของเราว่าขณะนี้เรากําลังเคลื่อนตัวแล้วกําลังทํากิริยาอะไรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะนอกจากมีสติแล้วเราไม่เผย เรามาสัมปชัญญะคือสติต่อเนี่ยใจไม่ลอยเป็นที่โู่ที่นใจอยู่ในปัจจุบันตอนที่สติใหม่ๆมันยังเผอได้พุโทโธสองสามตีแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้ามีสัมปชญัญญะมันจะพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราก็มีสัมปชัญญะ ใหม่ๆสติมันจะล้มลุกพุกขาดตั้งแล้วก็ล้มทำก็ตั้งใหม่แล้วก็ล้มแต่ทำพยายามทมําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะตั้งได้นานขึ้นนานขึ้นยาวขึ้นมันก็เป็นสัมปชัญญะขึ้นมาความหมายคือให้เรามีสติตลอดเวลาเลยรู้ทุกกิริยาบทการ ก, การเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ลอยอไปคิดจากนถึงอดีตถึงอนาคตอยู่ในปัจจุบันโอ้แต่มันมีนะคะพระอาจารย์บางวันมันมันฟุ้งมากเรื่องเรื่องสมัยเด็กๆเรายังขึ้นมาเลยอะคะ่ะใช่ก็ไม่มีสติไงมันก็ปล่อยมันมันมีสติมันก็ขึ้นมาไม่ได้บางทีเราประมาท บ, <า> บ, บางทีว่าตอนนี้ว่างๆใจว่างๆเราไม่ทำคุมมันพอเราไม่คุมมันปั้มเดี๋ยวมันก็สร้ขึ้นมาแล้วเรื่องนั้นเรงนี้ค่ะบางเรื่องที่เรา คิดไปถึงว่าเรายังมันจะขึ้นมาได้อรือว่าเราลืมไปหมดแล้วบางทีเรื่องอดีตนานแสนนานมันก็โผล่ขึ้นมาได้ <c oughs> ยิง่งจิดสงบมันยิง่งมันยิ่งคิดย้อนหลังไปได้ไกลนะออที่ไปถึงสมัยเด็กได้เนะมันบางบางเรื่องมันเพิ่งเริ่มจําความเองค่ะอืเพิ่งจําความได้ไ ถ้ามันจะไปกันเดินมันกลับมาใช้พุโทโธพุโทโธเดินมันกลับมาหูหนูก็ดึงมันกลับมาภาวนาพุโทโธบางทีเอาไม่อยู่หนูก็ภาวนาแรงๆกาหนดแปงๆทีทีทส่วนบอลไปก็นะโอเคมีอะไรไหมลูกตาลไม่มีครับอาจารย์ไม่มีคถามครับเอ๊ะพวกสัตวแพทย์นี่ก็มีพวกสัต ว, า ว, ตวาบาลด้วยใช่มมีค่ะสัตว่าล น, นี่เขาเรียนแค่สี่ปีใช่ไม ใช่ค่ะอาจารย์ก็สัตอบาลก็ต่อเป็นสตอแพทย์ได้ได้ก็เป็นเป็นเือนพยาบาลถ้ารักษาคนก็เป็นเป็นพยาบาลใช่ก็เขก็จะเป็นแนวทางสัตว์ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ค่ะสัตว์ใหญ่สัตว์เศรษฐกิจใช่แต่หมายถึงพูดเปรียบเทียบสัตวบาลก็เหมือนพยาบาลสตอแพทย์ก็เป็นเหมือนหมอค่ะอาจารย์นี่ ต้องมีความเมตตานะถึงจะทำอาชีพนี้ได้ยากตองเขาพูดไม่ได้นี่และค่ะเขาบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรสงสัยบางทีก็ต้องอาศัยดูแววตาเขอกตราไม่ได้ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนก็ถ้าจะไม่รู้ได้ไงล้วก็ต้องเดาไงเราต้องแตะเราต้องแตะตองนี้ดูดก็มีอาการอะไรก็ปวดขาใช่ค่ะ แล้วองาจกลัวเราไหมเวลาเข้ามาให้เรารักษากลัวค่ะกลัวต่ะได้เขาไม่รู้ว่าเราแบบจชมันจะช่วยเขาไหมมันจะเป็นอะไรค่ะแล้วแบบการการทำแผนการให้เขาเจ็บอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราช่วยเขาอืต้องแบบค่อยพูดค่อยจากค่อยสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะโดนกัดบ้างรึเปโดนบ่อยค่ะโดนบ่อยค่ะต้องไปฉีดวัคซีนประจําค่ะฉีดวัคซีนป้องกันอย่างตลอดเวลา แล้วแบบถ้าโดนแบบจะต้องคอยไปกระตุ้นอืมก็พวกอะไรพวกสกันตินักค่ะจะมีพิษนักว่าแล้วก็บัตไทยยักค่ะบัตไทยยักของเนี่ยอืมค่ะถ้าถ้าโดนแบบล่าสุดมีโดนติดเชื้อมากๆที่นิ้วก็จะต้องโดนแบบให้ให้ยาฆ่าเชื้อเข้าเส้นเลือดเลยอย่างเงี้ยสองวันสาวันอืมค่ะแล้วแต่ความรไม่เท่าถอยไม่เลยค่ะชินแล้วค่ะพอาจารย์อืมดี ทําบุญไปในตัวนะค่ะดีสร้างทานบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีค่ะพยายามทําทุกวันให้ให้ครบอะค่ะตอนนี้ก็พยายามฝึกเรื่องภาวนาให้ให้แบบให้ให้ทําได้ต่อเนื่องค่ะดีทานศีลภาวนาเนี่ยทั้งสามข้อด้วยกันค่ะทําให้ครบทุกวันนะค่ะพระอาจารย์ี นี่ทำทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคฝากขอบคุณปายจารย์ก้าวหน้าในทำยิ่งขึ้นไปนะสาธุค่ะคุณดิษยาเปงอยู่บ้านเดียวคุณแม่บ่าวเนี่ยอยู่คนละห้อง นมัส ก, การค่ะพระอาจารย์อยู่บนละห้องค่ะอืมมันนี้เข้าเข้าซุ่มแยกกันค่ะพระอาจารย์สวัสดีนนค่ะมีอะไรไหมวันนี้อ๋อเออมีค่ะพระอาจารย์อยา่างเอถ้าสมมติว่าช่วงช่วงนี้หนูอยากจะกลับมาสร้างรูทีมที่จะนั่งสมาธิใหม่ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าแบบจํานวนช่วงถ้าเราแบบว่าเซตว่ายังไงก็ต้องนั่ง เราให้มันให้มันนั่งได้สักอย่างอย่างแบบให้ได้ลงมือทําอย่างน้อยไม่ถ้าวันนั้นไม่ได้มันไม่เข้าหรือว่ามันไม่ดีก็ปล่อยมันก่อนได้ไหมคะแต่ว่าขอให้นั่งแบบอย่างห้านาทีก็ยังดีอย่างนี้ได้ก่อนหรือเปล่าคะพระอาจารย์ก็พยายามนั่งให้มากที่สุดถ้าเดี๋ยวยนั่งได้นะยิ่งมากยิ่งยิ่งมากยินดีวยังไงเหมือนกับ ไปไปซื้อของเนี่ยเขามีของลดแจกแถมเนี่ยเราจะรีบเราซื้อมากเราก็เราก็ได้ของมากกลับมาซื้อน้อยเราก็ได้ของน้อยกลับมาก็อยู่ที่การกระทำเนะเหตุคือการกระทําของเราเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลตามมาทํามากมันก็ได้ผลมากแต่ก็แล้วแต่แต่ละวันเราอาจจะมีกําลังมากน้อยต่างกันก็ทําไปตามกําลังของเราก็ได้ แต่ถ้าเราเป็นคนที่ตั้งสัจจะด้วยอธิษฐา น, นก็อาจจะต้องทนนั่งไปบังคับมันให้มันนั่งไปเพราะถ้าตามใจมันบางทีมันเดียวมันก็จะขี้เกียจขี้เกียจน้อ ย, อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะให้มันตามใจมันล้วก็ต้องนั่งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งสามสิบนาทีเถ้ายังไม่ครบสามสินาทีก็จะไม่เลิกไม่สนใจะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไร รตอนนี้ขอให้ทำเวลาไว้ก่อนก็แล้วกันค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ที่ถามที่หนูเคยถามสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่มันจะที่เอ่อเวลานั่งสมาธิแล้ว ร, รู้สึกมันมันวิว ว, วิเหมือนเหมือนจะเหมือนจะกระโดดร่มอะไรอย่างนี้ยค่ะเมื่อกี้หนูตอนแรกอาจจะถามพระอาจารย์ก่อนค่ะว่าอืมตอนที่หนูเข้าสมาธิปกติจะดูลมอย่างเดียวค่ะ แต่พอมันเริ่มวิววอย่างเงี้ยค่ะหนูลองเปลี่ยนเลยเมื่อเกี้ค่ะว่าลองเปลี่ยนเป็นผู้โธรผูโ ท, โทมันจะได้ไม่ต้องไปสนใจไอาอาการไม่ค่อยที่หนูไม่ค่อยชอบนั้นเท่าไหร่ค่ะแต่รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นค่ะะอาจารย์เปลี่ยนเป็นพุ็โธเลยได้หรือเปล่าอาจารย์ดูลมแล้วก็ปึ๊บไปเป็นผู้โทก็ถ้ามันได้ผลดีก็โอเคก็ได้อยู่บางทีดูลมมันอาจจะมีสติน้อยมันไวมันทำให้จิตมันสร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมาได้ พอเรามีพุโทโธสติมันกระชับมากกว่ามันก็เลยทําให้จิตไม่สามารถทราอาการต่างๆขึ้นมาได้คได้ถ้าชอบพุโทโธนนั้ได้ผลดีก็ใช้พุโทโธไปก็ได้บางครั้งเราคิดว่าล อ, องหยุดพุดโทโธแล้วดูมาดูลมต่อได้ไหมเพราดูลมมันสบายกว่าใช่ค่ะอาจารย์ก็พอเขาดีขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการแบบ ขึ้นพื้นลงลหนูก็เปลี่ยนมาเป็นดูลงต่อเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูไม่ค่อยชอบพูดหมายถึงว่าจริงๆพูดโทรมันก็ดีค่ะแต่ว่าเวลาเราโฟกัสที่มันไม่ต้องคิดนะคะถ้าพูดโทรมันต้องคิดแล้วมันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ใช่ใช่แต่มันก็ช่วยให้เรากำจัด อ, อาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาได้ค่ะพระอาจารย์เขาเริ่มหายไปแล้วค่ะพระอาจารย์แต่เดี๋ยวก็มีอะไรมาแกล้งใหม่นั่นแหละค่ะพระอาจารย์ก็ตาม เดี๋ยวก็แก้ปัญหาไปค่ะอืาก็อยากไปสนใจอย่าไปอยากให้เขาหายเราเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการบริกา ร, รเผ่านาะของเราไปก็แล้วกันค่ะอาจารย์ขอบขอบขอบคุณค่ะอืมโอเคไปค้นเทพเป็นปเเูปเป้ต่อปูเป้กลับน้ำสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินหรือไม่เจ้าคะอาาได้ยินจ้ะค่ะพระอาจารย์ ้องหนูก็ลุยดูตัวเองไปเรื่อยๆต่อค่ะแล้วก็ฟังธรรมจากพระอาจารย์ค่ะแล้วพระอาจารย์ครัพึ่งที่ผ่านมาหนูลองอ่าใช้ดูว่าถ้าหนูยังอยู่ในสังคมแล้วหนูดื่มน้ําทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใช้เวลาหนึ่งวันนี้จะเป็นยังไงก็อยู่ได้ค่ะพระอาจารย์ขนาด ม, มีคนละครึ่งพระอาจารย์ไม่ไม่กินข้าวเหนียวตาแนบเปล่า ใช่ค่ะใช้ดื่มแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะแล้วก็ลุยนั่งรถเมล์มาทํางานค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรกับร่างกายไม่ค่อยเหนื่อยค่ะยังลุยทํางานได้ค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าจะมีปัญหาวันต่อมาค่ะพระอาจารย์ถ้าทานเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาระบบอาหารทางเดิอนอาหารเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้องเริ่มเหมือนคนที่เพิ่งผ่าตัดใหม่ๆต้องเริ่มจากรับประทานอาหารอ่อนๆก่อนค่ะพระอาจารย์ถ้าไปทานอาหารเหมือน ตอนทานปกติลําไส้มีปัญหาเลยค่ะพระอาจารย์เราก็เลยได้เห็นนะคะคเพราะว่คอยสังเกตดูคอยสังเกตดูว่าร่างกายเป็นยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยก็ต้องเวลาไปทํางานก็เข้าสมาธิในรถมีค่ะมันถึงมีพลังมันชาร์จใจจริงๆค่ะพระอาจารย์ต้องแบบต้องมีพลังเต็มที่ไม่โกนั่งเลยป้ายเลยนั่งสมาธิไปเดยวมัเลยป้าย มันพระอาจารย์ค่ามันออกมาเองแล้วเตรียมลงเลยค่ะพระอาจารย์ เ, ออเป็นอัตโนมัติเลยค่ะพระอาจารย์จริงคตอนแรกหนูก็แบบเอจะแบบจะเวลาเปิดตา ม, มานึกว่ากลัวเลยป้ายจริงค่ะแล้ต้องเดินไปสแกนนิ้วให้ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเหมือนทําอัตโนมัติเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเก็เลยได้ลุยไปเพียงแต่ว่าหนูไม่สามารถแบบ มีงานกีฬาสีไงะค่ะพระอาจารย์หนูก็ไม่ค่อยได้ไปมากค่ะเพราะว่ามันมันแบบต้องไม่ไปเกี่ยวกับงานสังคมดนตรีเลยนะคะพระอาจารย์เพราะว่ามันจะง่วงนอนเลยค่ะพระอาจารย์ต้อง mm hmm. หาหูฟังมาฟังธรรมนี่เนี่ยเลยเข้าฟังธรรมกับของพระอาจารย์ทุกบ่ายสองตลอดค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ค่ะ <Yeah. S 2> ดูตัวเองไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์โอเค ท่านทุกท่านคุณจอยต่อคุณจอยพวกนี้มาสายบานไหมไปค่ะอืแล้วมันฝังเทศน์ตอนบา่ายเปล่าไปค่ะคื อ, อตอนแรกเริ่มชอบแล้วเลยคือตอนแรกหนูคิดว่าเอ่อพอทําไปนะมันตอนแรกวันนี้พวกนี้ตอนแรกพี่สาวหนูอ่ะเขาจะไปทุระตอนแรกหนูเดาว่าเขาทุกทีเขาเจ้าวนหนูไปแต่ว่าหนูคิดดีว่า ถ้าผู้น้เอกไปแล้วตอนบ่ายเราจะไปฟังเทศเราจะทำยังไงดีแต่เขาบอกว่าเออจอยเธอไม่ต้องไปแต่ฉันไปกับแม่ฉันหนูก็เลยแบบอ้าก็เป็นสิ่งที่ดีหนูก็เลยไม่ต้องไม่ต้องคิดคําพูดอะไรกับเขาอืเหมือนท่ามาแต่ให้ได้ไปฟังก็บอกความจริงอ่ะก็ได้บอกว่าวันพระจะเข้าวันไปฟังธรรมหลังๆมาหนูพูยที่บ้านถามว่าไปทําไมหนูบอกเอาก็วันพระหบอกก็่าฟังเทศเองเขาไม่เข้าใจว่าหนูไปทําไม อหนูแปลกความในครอบครัวคือตอนนี้หนูมานี่หนูหนูจองวันไปบวชได้แล้วะคะเดือนหน้าค่ะที่ยี่สิบแต่ว่าวไปกับเพื่อนด้วยอืมสองคนรอบนี้ไปสี่คนค่ะอ๋อสี่คนนะมีเด็กเขาอยากไปด้วยเหมือนให้เด็กเด็กนะั้นเด็กโตอะแต่เขาเหมือนแบบอยากไปเดย์ให้พาเด็กเขาวัดกันเดย์เหมือนกันอ <laughs> แล้วหนูจะบอกขอเขาแล้วว่าหนูยิ่งปฏิบัติไปอะ ความอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือความอะไรหนูว่ามันลดน้อยลงไปจนแทบไม่ตักยุ่งกับใครมันวุ่นวายเรื่องของคนเดียวใช่ค่ะรู้สึกว่าไม่ต้องยุ่งก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เรายังไม่ทํางานอยู่บางทีก็ต้องยุ่งบ้างค่ะอ่ก็ทำงานของเราไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคนเดียวค่ะค่ะแล้วมันมารู้สึกดีตรงที่ว่ามันไม่เหนื่อยเราอ่ะมันมันไม่ต้องมาทูกเอาลงมือมาทุกกับตัวเองอ่ะใช่ไหมชอบไปแบ่งเรื่องของคนเดียเนะใช่ค่ะ อแล้วหนูคิดแล้วหนูคิดไม่ใช่โลกของเราเธอจะไปยุ่งเอมายจอนหนก็จะบู่กับตัวเองตลอดใช่กิเลยมันชอบมองคนอื่นชอบชอบตำหนิคนอื่นไม่ค่อยชอบตำหนิตัวเองอเราต้องพลิกับอะมามองตัวเราเองดีกว่าตำหนิตัวเราเองดีกว่าคะค่ ะ, ะจริงทุกอย่างเลยค่ะอืคือได้เข้ามาเจอได้เข้ามาอยู่ธรรมบาได้คือความเจริญมันรู้สึกว่าความเจริญตัวเรามันมันเพิ่มมากขึ้นอืม ใจเย็นลงมีความสุขมากขึ้นค่ะไม่ไม่รู้สึกแบบมันมันทุกข์อยู่แต่มันไม่รู้สึกว่าต้องทุกข์มากก็เข้าใจว่ามันต้องทุกข์แต่ก็ไม่ถึงกับว่าอุยต้องทุกข์ร้องไห้เหมือนเ่าก่อนคงจะร้องไห้อะต่อไปก็ไม่ทุกข์เลยก็ได้สาธุค่ะหนูขอให้เป็นงนั้นหนขอให้หนูแบบสำเร็จแล้วเร็วนั่งสมาธิเยอะๆให้เจตนันเน่งแล้วมันจะทุกข์น้อยลง เนี่ยแหลคะคยังติดสมาธิยังนั่งไม่ค่อยได้เยอะแต่ว่าแ ต, แต่ระหว่างวันก็พยายามรู้ตัวเองตลอดว่าทําอะไรคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยก็เก่งขึ้นเองอ่ะอ๋อโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะสาธุค่ ะ, ะออคุณมาลีนะคุณมาลีวุฒากาจางหลง่อค่ะอันนี้อยู่ที่วุฒากาใช่ไหม ใช่ค่ะมันทํางานอยู่ทา่าอากาศมันไม่ได้ทำงานกลับไปที่นครนายกอะหรือบางบัวทองวันเสาร์อาทิตย์หนูหนูจะกลับนครนายกคืนวันศุกร์อะคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็เย็นวันอาทิตย์จะเข้าไปที่บางบัวทองแวะเข้าไปดูบ้านนิดนึ้อคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็กลับมาที่นี่ค่ะแต่ว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาหนูไม่ได้ไม่ได้กลับนครนายกค่ะหนูไปไปวัดประทุมมาคะ่ะไม่เคยไป เนี่ยรังไว้นี่มาดีไม่ชอบไหมชอบมากเลยค่ะไม่เคยเห็นแบบในกรุงเทพจะมีแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อค่ะดีดีมากมากในหลวงเราก้าวสร้างศาลาถวายใช่ค่ะหลวงพ่อหนูก็ไปอ่านประวัติตรงข้างหน้าค่ะหลวงพ่อขาวรท่านเป็นผู้ช่วยค่ะอ่าในหลวค่ะท่านท่านก็ สร้างตรงนั้นแล้วก็ในหลวงท่านมาเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอตอนหลังหลวงพ่อถาวรท่านก็ย้ายไปอยู่ที่นะครนายกค่ะหลวงพ่ออืมค่ะพอพอเดินเข้าไปอ่ะค่ะหลวงพ่อไม่ไม่คิดว่าในกรุงเทพจะมีเหมือนแบบสวนเป็นป่านะเป็นป่าเป็นสวนเนี่ยบๆใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อเขาจะมีมีศาลาศรราลาสภานะก็รอบๆก็จะเป็นสวนแล้วเขาก็จะแบ่งโซนว่า ตรงนี้ไว้แบบปิดวาจะไว้เดินไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วจิตลงดีมากเลยค่ะหลวงพ่ออืมแล้วเดินทางยังไงรถไฟฟ้าเลยมีไหมร่อนหนูหนูก็นั่งรถไฟฟ้าตรงคอนโดเนี่ยค่ะแล้วก็ไปลงสยามแล้วก็เดินลงไปนะค่ะหลวงพ่อถึงนิดเดียวนะสยามกับวัดก็ไม่ไกลใช่ใช่ค่ะสะดวกมากเลยค่ะหลวงพ่อหนูก็อยู่จนถึงเกื ก่อนกลับออกมาตอนก่อนสี่มงเยนนะคะหลวงพ่อเพราะว่าพระท่านจะมาเตรียมเขาเรียกอะไรทาวัดเย็นใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ค่ะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นพวกคารวะที่เขามากันนะคะหลวงพ่อเขาจะมาสวดมนต์อันนี้เป็นวันหยุดใช่มวันวันหยุดทํางานใช่ไหมใช่ค่ะวันวันเสาร์หนุกก็เห็นคนเขามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเขาก็มาอยู่กันไม่ไม่ได้นานมากค่ะเหมือนใคร ใครว่างใครก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาก็แบบนี้นๆสังคนก็มานั่งปฏิบัติเนี้ยค่ะหลวงพ่อเนี่ยนั้นก็มีที่ไปในกรุงเทพหนูห น, หนูจะไปตั้งหลายครั้งแล้วที่เนี้ยหนูก็ไม่เคยไปก็เลยลองไปคนเดียวลองดูดีมากเลยค่ะหลวงพ่ อ, อจะหมอรุ่นรุ่นรุ่นเลย่องก็บอ ก, กเห็น ห, หมอรุ่นเรื่องก็บอก หนูหนูไม่ได้มองไขงเพราะว่าไปถึงก็ใช่ค่ะหนูพอไปใช่ค่ะเพรหนูไปหนูจะเห็นแต่คนที่เขามาข้างหน้าเขาก็นั่งกันเงียบเงียบเนี้ยค่ะหลวงพ่อดีค่ะหลวงพ่อบรรยากาศโอเคค่ะแต่ว่าเขาเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเขาคงจะทยอยกันมาไปเลแล้วแต่ใครสะด<า>วกตามเวลาไม่มีกําหนดตายตัวใครอยาจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้ใช่ค่ะ แต่ดีดีมากๆเลยค่ะหลวงพ่ อ, อมันมันเหมือนสถานที่กับบรรยากาศมันมันให่อะค่ะหลวงพ่อืในกรุงเทพหะที่อย่างนี้ยากนทาที่สมอ ง, องนี้ไม่หนูยังไม่ไม่ค่อยเห็นถึงจะเป็น เ, เป็นวัดที่อื่นแต่ว่ามันก็จอดเจยยอย่างแถวมุชชากาศเนี่ยวั ด, ว, ดวัดเยอะมากเลยค่ะหลวงพ่ อ, อวัดหลวงพ่ อ, อหลวงพ่อสดวัดนังทีวัดมันติดติดกันมันดูไม่สงบเลยอะค่ะหลวงพ่อมันเขกันเยอะ มี<ช>ร้าน ค, าค้คาขายเยอะขายดอกไม้า<ช>ขายทุบเทียนขายอะไรไม่ร้ค่ะใช่ครัแล้วมันอยู่ในชุมชนมันไม่สงบเลยค่ะหลวงพ<ม>่อแต่แต่ในวัด<ม>วัดที่ประทุมเนี่ยสงบดีเพราะหนูหนูเคยได้ยินประวัติว่าสมเด็จญาท่านก็มาท่านก็ฝึกฝึกปฏิบัติภาวนาในในเนี้ยเหมือนกัน<ม>ที่หนูเคยได้นะคะหลวงพ่อดีคะ่ะหลวงพ่อ ก็ไ <Okay. S 2> ม่ไม่มีอะไรก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันใช่ไหมพ่ อ, พ อ, อ, อดีค่ะระกษระดับไว้นะอย่าอย่าถอดถอยค่ะเหรอพอร่ อ, พอหลงพอ่ถ อ, อถามขอทางนิดนึงก็ได้ค่ะพอปฏิบัติไปแล้วค่ะหลงพ่อที่ดูลมมาค่ะหลวงพ่อพ อ, พ อ, พ อ, พอมันมันเป็นอัตโนมัติแล้วมันก็ดูของมันเองอันนี้ค่ะหลงพ่ อ, พอแล้วก็เหมือนจิตมันจะเป็นสมาธิอยู่ตลอดแล้วมันก็คือมัน มันมามาได้ตลอดนะคะหลวงพ่อหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ฟุตโทรเท่าไรหร่นะหลวงพ่อได้ดูลมาดีสุดอ๋อมีมีประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณชาเจ้าอ่าะคุณเป็นพลังอะไรต่อเป็นยังไงซสียาชาอันนี้จะป<อ>็นเสียชาตื่เรินมากเลยเจ้าคะ่ะ เป็นเมงญี่ปุ่นนะเนเมงี่ปุ่นนะเป็นเมืองเกาหลีเปทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นเจ้าค่ะญี่ปุ่นนะเจ้าค่ะก็ะมีมีลูกค้าญี่ปุ่นมาพักด้วยเจ้าค่ะในร้านขายของญี่ปุ่นเยอะร้าอาหารญี่ปุ่นนะเจ้าค่ะค่อนข้าง ใ, ใหญ่แต่ว่าหนุมไม่ค่อยได้เข้าค่ะกาทํางานเสร็จกลับบ้านมีฮค่นี้ก็ มือนที่บอกอาจารย์อาเรียนแจ้างไปะคะ่ะก็ฝึกปฏิบัติอยู่นะคะอยู่ในขั้นของการฝึกปฏิบัติยังยังไม่ยังไม่ก้าวหน้าต้องรอให้เกรี่ยลอยก่อนเราจะทําให้มากคเวลาสําคัญนะถ้าไม่มีเวลามันก็ทําไม่ได้ใคะ่ะให้กลับไปบ้านที่แบบที่เขาสร้างบ้านทิ้งไว้ที่สลับรีแล้วแม่เขาไปอยู่ก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเรื่องในสวนก่อนคือทําพวก ปลูผ ล, ลไม้กับพวกส่วนครัวค่ะเผื่อว่าต้องไปอยู่แล้วไม่ได้ใช้ใช้เงินใช้ทองก็จะมีของกินแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยอย่างคะก็รอเอาไว้ประมาณปีสองปีค่ะโอเคก็ดีครับไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรค่ะอยู่กับความทุกข์ได้สบายค่ะแล้วก็อยู่กับใจตัวเองนี่เมื่อก่อนมันตอนมาเรียนกับพระอาจารย์มันทุกข์มากทุก ทุกครั้งเลยพอมันดูลูกเก่าๆเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะแต่ตอนนี้ก็ก็ยังยังไม่ถึงขั้นสูงสุดแต่ก็หนูก็พยายามพยายามทําให้มันดีพัฒนาจิตใจขึ้นเรื่อยๆไม่ทุก<อ>ข์ไม่วนวียค่ะไม่ตอนนี้ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะหนูรู้สึกว่าอ๋อมีทุกข์แล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆแก้ไปแก้ไปแล้วเดี๋ยวก็มันก็หลุดเองเพราะทุกๆเรื่องมันมันมีทางออกอะไรเงี้ยค่ะอืใจเย็นขึ้น ถ้าไ ม, ไม่มีทางออกเราเชยๆไปเดี๋ยวมันก็มัน ก, ก็นิจจังมันเดี๋ยวมันก็หมดไปของมันเองค่ะการความตายก็เหมือนกันไหมคะเลิกละเลึกไปทุกวันดีินน้ำลมไฟนะที่ตายไม่ไมีไม่ใช่ตัวตนนะโอเคค่ะท okay, ุกขอบคุณค่ะคุณมาริกาเป็นยังไงยังดูแลคุณพ่ออยู่หรือเปล่า การนมัสการเจ้าขอาพเจย์ก็คุณพ่ออยู่ค่ะแต่ว่าน่็จะเล่าเกิดจากเหตุการให้ข้าพเจ้คฟังว่าของลูกนะก็คือถ้าเจอเหตุการณ์ปกติรู้สึกว่าปัญญามันจะไม่กระจากแต่ว่าเมื่ออะไรจนสุดขีดถึงขีดก็เหมือนกับว่าพ่อพ่อจะเรียกพ่อเรียกที่ ที่รู้สึกว่ามันเราเหนื่อยแล้วก็รู้กท้อทก็คือหนึ่งชั่วโมงพ่อจะเรียกประมาณสองครั้งสามครั้งทีนั้นก็เออเราจะทำอย่างไงดีนะ้ากจะคิดไปแล้วเราก็เครียดปล่อยเป่าๆก็ก็เลยก็บอกว่าไปซื้อกระถางดีกว่าไปซื้อกระถางเป็นกระถูอปกติเราะจะเป็นกระถู น, นะคะพี่จันก็ไปซื้อกระถางใบใหญ่มาดีกว่าทีนี้นก่อนแล้วก็ให้พ่อพ่อเป็นคนที่ ฉลาดพอสมควรดังนั้นเวลาจะปวดท้องฉี่ก็นั่งโอ้ก็พอหลังจากนั้นมาประมาณสามสี่วันแล้วเขาก็จะพ่อไม่เรียกเลยดังนั้นเอาโอกาสนั้นเลยนะครับอาจารย์ก็มานั่งสมาธิแล้วมานั่งสมาธิประมาณทีสองประมาณทีสองรู้สึกขึ้นมาก็จะนั่งสมาธิแต่ว่าความที่ว่าการเหนื่อยล้ากับการที่ว่าเราอดนอนมา ตลอดเวลานะท่านต้องไม่ง่วงแต่ว่าก็พยายามค่ะพระอาจารย์รู้สึกรู้สึกว่าอืมเนาะอะไรก็ได้ที่มันทําให้เราแบบค้นสุดสุ ด, สดแล้วเราจะเกิดปัญญาทันทีอันนี้ก็คือคนมีปัญญาน้อยใช่ไหมคะพระอาจารย์จะถามพระอาจารย์ว่าคนมีปัญญาน้อยใช่ไหมคะที่เหมือนก็คือปญญัญญามันอยู่ที่การคิดอ่านถ้าคิดมากามันก็จะเป็นปัญญา ถ้าไม่คิดมันก็มันก็เตือ่อมันก็ทึบญญไปบรรยาทึบไปเอเอทั้งทั้งที่ว่าเออนะถ้ามีตั้งแต่แรกเราคงจะไม่ไวุ่นวายมันไม่ยังไม่โดนเรียกตลอดแต่นี่นพ่อก็เออก็เพราะว่าเคยนึกถึงว่าตอนที่ว่าอยู่สุขินที่ยังไม่เกษียน แ, แล้วก็คุณพ่อก็ไปอยู่ด้วยก็ตอนนั้นพ่อก็อายุยังไม่มากขนาดนี้ก็คื อ, อเป็นเป็นบ้านเป็นสองชนนะั้นเน่นั้น จะบอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องลงมาข้างล่างนะเดี๋ยวก็ตกบันไดนั่นพ่อก็จะอยู่ข้างบนฉี่ก็ฉี่ข้างบนก็คือเหมาอนจะลงก็คือลงตอนเช้าก็เลยก็นึกถึงว่าเออนะพ่อเคยทําได้นะพ่อจะทําได้ก็ทําได้ตอนนี้ก็พ่อทําได้ก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ตรงนี้ก็คือลูกจะได้ปฏิบัติต่อไปค่ะแล้วก็วันนี้ก็เจออีกเจออีกอารมณ์หนึ่งก็คือลูกปลูกฝัก เอาไว้มีกระเจีย๊ยบบ้างมีตะคลายบ้างมีพริกบ้างแล้วก็เจ้าของสวนเข้าไปไถที่โดยที่รู้ไม่รู้เสียดายนะพระอาจารย์รู้สึกปีติขึ้นม า, ท, าทันทีเลยว่าเสียดายว่าเออจะทํำยังไงดีเนาะพอเข้าตูงปั๊บทุกอย่างมันละลายหายไปหมดเลยกับพระอาจารย์แล้วนึกว่าทุกอย่างมันก็ อ, อนิจจังไปจบพอรพอนึกได้ตรงนี้ปั๊บทุกอย่างมันก็คลายของเขาเองโดยที่ว่า ที่มึนตึ๊บตึต๊อยู่ด้วยว่าเสียดายหายไปเลยกับอาจารย์นี่คือบุญและกุศล ท, ที่ได้ลู้ได้ฝึกได้ปฏิบัติมาก็เลยพูด<ต>มีปัญญาเนี่ยแต่อาจารย์ก็เป็นปัญญาแล้วก็เลยพูดกับคุณอาอุสาว่าถ้ามีโอกาสนะถ้าพ่อดีขึ้นแบบปกติดีมากก็จะเข้าไปปฏิบัติปฏิบัติขึ้นไปขึ้นขึ้นเขาบ้าง เพราะว่าการขึ้นเขานื่องจากคือวันประวัติชาติไฟที่แบบเราอยู่ด้วยกับตัวของเราเองดูที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครค่ะก็จะแล้วใครจะดูแลแทนนะถ้าเราไปบนเขาแล้วใครจะดูแลแทนนะฝากน้องตองเอ่อไม่ีคนอืนดูแลแท่านเลยนะแต่ถ้าถ้าดูเลยนะก็เพราะว่าสามีเขาก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเสื่อมอะไรนะแบบ อ่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ใช่กับกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะพระอาจารย์กล้ามเนื้ออ่อนแรงก็คือบางครั้งก็เชื่อเหลือตัวเองไม่ได้อะไรแบบนา้นทำอะไรไม่ได้ทําะไรไม่ได้อืใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์ดังนั้นการที่ว่าเอาสองคนไปอยู่ด้วยกันมันก็มันก็ลําบากอยู่ดังนั้นรก็บอกว่ามันช่วงนั้นที่ว่าพ่อไปอยู่กับน้องก็ช่วงนั้นแล้วก็ได้ลูกก็ได้โอกาสที่จะได้ขึ้นไปข้างบนก็คือได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรม ค่ะพระอาจารย์ก็ก็ถือว่าได้เรียนรู้ในสิ่งที่ว่าเรามาต่อสู้กับความยากกับพระอาจารย์เมื่อเราไปติดมันมันเป็นเรื่องการทดถูกทดสอบอย่างรุนแรงเหมือนกันกนะพระอาจารย์เพราะว่าเราไปติดแล้วเราไปติดติดธรรมเราไปติดความปีกวิเวกว่าเวลาเขาขึ้นเขาที่โอนเมื่อไรเราจะมีความสุขกลับมาแล้วก็เราหน้าตาสดชื่น ผงมันผงใส่ขึ้นมาทันทีแต่กับพอเราอยู่ที่ตรงนี้เราจะจมตรงนี้เราก็ต้องบอกตัวเองว่าจมไม่ได้นะมริกานะเธอต้องจมไม่ได้เธอต้องพยายามที่จะดิ้นดิ้นเพื่อที่จะให้หลุดพ้นตรงนี้ไปให้ได้อไม่กลับมาเกิดจรินดีที่สุดครับอาจารย์ก็ขอบคุณพระอาจารย์มากที่สุดลูกไม่มีคําถามเยอะครับอ่าสาธุเถ้าสาธุคุณหมาสุดท้ายท่านี้เป็นยังไง ลูกสบายดีเจ้าค่ะ<ำ>ไม่มีคำสาปอะไรเจ้าค่ะทำให้เน็กคนเดียวแล้วมีมีผู้ช่วยเลยมีผู้ช่วยสตาวรแพทย์สามคนเจ้าค่ะก็เด็กใหญ่เนี่แล้วแพทย์ทั้งสามคนอ่าไม่ใช่เจ้าค่ะลูกเป็นหมอคนเดียวเจ้าค่ ะ, ะ, นนะเป็นผู้ช่วยสตววาบาลีอ่าเป็นผู้ช่วยสตาวรแพทย์เจ้าค่ะเออต่างใหญ่ต่างกับสตววาบาลอ่าเขาไม่ได้จบสตาวาบาลมาเจ้าค่ะ ก็มีจบปริญญาตรีมาเราก็เอามาฝึกเจ้าขาท่านอาจารย์อวันนึงก็มีสัตว์มารักษาเยอะไหมเยอะมากเจ้าค่ะถ้ามากจริงๆก็ประมาณแปดสิบเจ้าค่ะแปดสิบตัววันเลแปดสิบเคสเจ้าค่ะส่วนใหญ่ก็มาแล้วก็กลับไม่ได้ไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, มไมเราไม่ได้รับเก็บไว้ในหะ้ละ ไม่ได้รับเก็บเจ้าค่ะไม่ได้รับฝากเจ้าค่ะไม่ไม่มีที่ดูแลในระบาดไม่ได้รับเพราะว่าเห็นถึงความอ่าถ้ารับจะต้องไม่มีเวลาแน่นอนเจ้าค่ะท่านอาจารย์อืมส่วนมากแล้วก็ทําแผลให้ฉีดยาให้ทำนองนี้ใช่ไหมอ่าก็จะมีรักษาด้วยเจ้าค่ะ ม, มีสัตว์ป่วยแบบหลายอย่างต่างกันไปเจ้าค่ะอืมแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเคสตออ่อเนื่องก็จะนัดมาให้ยาตออย่อเนื่องเจ้าค่ะ เป็นวันต่อวันเจ้าค่ะวันต่อวันก็มีค่ะโอเค okay. แล้วมีสัตว์สัญญาณเป็นอะไรพวกสุนัขพวกแมวใช่เจ้าค่ะสุนัขแมวเจ้าค่ะเป็นหลักเจ้าค่ะ อ, อย่างอื่นนี่นานๆจะเจอเลักทีก็มีบ้างเจ้าค่ะก็ตายเต่าล่าสุดนี้ก็เป็นหมูเจ้าค่ะท่านปาะจากักษหมูตัวใหญ่ไหมหมูตัวเล็กไม่สบายมาเจ้าค่ะเป็นลูกหมูเจ้าค่ะ <laughs> ยังไม่มีลูกชา <laughs> ่างเลยะเจ้าค่ะแต่กเ็เตรียมตัวที่จะหยุดเจ้าค่ะท่านอาจารย์พอแล้วนะค <c oughs> ่ะรักษาใจเราดีกันนะได <c oughs> ้เจ้าค่ะเตรียมตัวไว้เจ้าค่ะโอเคดีเราต้องมองทงันทำเป็นหลักเป็นเป็นหลักนะทางโลกก็ทำไปเท่าที่จาเป็นเจ้าขานถ้า อย่าคงไม่นานเกินรอเจ้าค่ะบางแผนไว้แล้วเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ดี่สาธุอมอตนาขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคหมดแล้วเนะอมีใครอีกไหมที่เหลืออยู่อ่าคุณตายคุณตายคุ ณ, คณถูกท้ายแ ถ, ถววันนี้น้องกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ยรข้าวไรก็สบายดีค่ะช่วงนี้ก็ไปเฝ้าร้านให้ลูกๆ พอไปเที่ยวกันแล้วก็ต้องหมุนตัวเองไปเฝ้าร้านนนนร้านนี้ก <ừ, S 2> <laughs> ็ยังไม่มีเวล า, า, าเลยทนาได <laughs> ้าเขาทนายไ้เขาก็ยังทิ่งได้เลยแต่เราลบบทิ่งไม่ได้ไม่เรา <laughs> <laughs> เรามีกรรมามีกรรมพูดไม่ออกเลย <laughs> <laughs> <laughs> แต่ก็พยายามค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ จริงใจอยากไปวัดนะคะพระอาจารย์แต่เวลาไม่ค่อยมียมก็เลยทําใจว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวทําบุญข้างนอกไปก่อนถ้ า, า, ามีเวลาอยู่ที่ร้านก็นั่งสมาธิได้ถ้าอยู่คนเดียวอ่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าอย่าอย่าถอนอย่าถอนใจหนูแฟบไปเลย <laughs> พราะหนูรู้สึกว่าตัวเองถอนถอน <laughs> ไ, ไม่ไหวเลยค่พะพระาอาจารย์ ต้องดึพลังกลับมาอ่าก็ถึงต้องมาเข้าสูมมากราบพระอาจารย์นี่ยนะ<อ>ตึงพลักลันใช่ต้องทำอาชีพไปพยายามเจริญพุทโธพุทโธให้บ่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็น้อมน้อมรับเอาไปปฏิบัติค่ะจะพยายามให้มากที่สุดค่ะ <แก S 2> พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้ามีเวลามีโอกาสก็จะเข้าไปที่วัดค่ะพระอาจารย์โอเคท่านนี้แฟนหายดีอ่ ยังเลยค่ะพระอาจารย์เขายังไม่กล้าเดินก็้าใช้ไม้อยู่แล้ววันนั้นที่ไปไปวัดไปวัดแล้วหมามันเหา่าหมาไม่เหา่ามันจะกัดอะ่ะก็เลยว่าอะไม่ไปกลัวทําให้คนอื่นเขาเสียสมาธิแต่ก็กลับว่าจะไปนั่งอยู่ด้านนอกด้านนอกดีกว่าไม่ไปทางข้างหลังล ะ, ะข้างหลังเจ้าดํามันมันเหา่อาอ่ะพระอาจารย์ตรงนี้มันดุหน่อยนะใช่ค่ะมันจะ เข้าใส่วันนั้นน้องๆเขาจับหมาไว้ก็เลยว่าคุยกันว่าเดี๋ยวเราไม่เข้าทางนี้แล้วก็ค่อยไปทางข้างหน้ากุติพระอาจารย์เอานั่งด้านนอกเอายอมก็เลยว่าเออเดี๋ยวพาเดี๋ยวพากันไปคิดว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้น่าจะได้ไปนะถ้าหมอไม่นัดค่ะดูสะดวกก็มาไม่สะดวกก็อยู่ฝังที่บ้านก็ได้ค่ะพระอาจารย์ถ้าอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ฝังแมวมันมากวนค่ะพระอาจารย์ ลูกเลี้ยงแมวแล้วเวลาวันอาทิตย์เขาไปแล้วเาก็ทิ้งแมวให้เราเราถ้าเราไปวัดเราก็ปิดของแมวไว้ในบ้านออยุ่งเลยหมดเลยถ้าเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาโยบอกว่าอย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงแลเป็นมันผูกพันกันไปแล้วก็จะปล่อยให้เขาอยู่ก็สงสารเขาเหงา <laughs> หรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้นปอาจารย์เราเนี่ยปวดามาเราไม่มีไม่มีสารเลี้ยงเนละขี้เกียจเลี้ยง <laughs> พาโนะก็ทุกๆนี่คอยไล่ถ้ามามาปนเปี้ยนทาัาปกติแล้วถ้าเราออกมาเห็นไล่ไปเลย <c oughs> ไม่ได้ขาดความเมตตาเพียงแต่ว่าไม่อยากจะเป็นพาล ะ, ะอ่าค่ะะและ้วภาวนาในส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครใช่คะ่ะตอนแรกแต่โยมก็ดีนะคะพระอาจารย์โยมก็รู้สึกว่าห้ามใจตัวเองได้ตอนแรกว่ากะว่าวัน พรุนี้วันพฤหัสว่าจะไปเชียงใหม่เพราะว่าเพื่อนโทรมามชวนบอกว่าจะขึ้นบ้านใหม่นัดเจอเพื่อนๆใจโยมก็บอก<ม>เกือบบอกไปแล้วว่าจะไปเกือบแล้วครับอาจารย์แต่ว่าโอไม่เป็นไรยังยังยังไม่ได้บอกว่าไปแต่<ม>พอคิดไปคิดมาก็แบบเออ hey, ถ้าเราไปมันก็มีแต่สังสรรค์โยมก็เลยบอกว่าโอไม่ไปดีกว่าไม่ไปละ<ม>บอกตัวเองนะคะว่าไม่ไปละเดี๋ยวถ้ามีโอกาส<ม>ถ้าได้ขึ้นไปจริงๆก็ ค่อยไปเจอแต่ถ้าเจอคมใหญ่ๆก็คงไม่ค้นไม่รู้ว่าว่าจะว่าจะอะไรแต่ว่าก็ไม่ไปดีกว่าคนมันเยอะจัดอือนะคะพระอาจารย์เลยไม่ได้ไปอีกค่ะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคเดี๋ยวกลับไปที่คุณวิไลพรไม่มก็อยากจะถามอะไรป่าววิไลพรเมื่อกี้ไม่มีโอกาสไม่มีใช่ไหมเอาไว้ครั้งหน้าก็ได้จะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าครั้งนี้ อพระอาจารย์ดึกแล้วเจ้าค่ะในครัหน้าเจ้าค่ะแล้วคนสุดท้ายแล้วอยากจะพูดเราพได้อ๋อค่ะพระอาจารย์คือโยมเิงก็ปฏิบัติอยู่อ่ะค่ะแล้วเหมือนกับเหมือนกับทุกครั้งที่เคยกลับเรียนพระอาจารย์นะคะก็เหมือนกับดูลมพอเราดูลมเสร็จแล้วลมมันหายพอพอลมหายพอมันเงียบสงบแล้วมันก็มีสักพักหนึ่งลมก็กลับมาอีกมันก็ไปไปมาๆโยมก็เลยใช้พิจารณาว่า อ่ามันมีมันมีเกิดแล้วก็มันก็มีดบับมันก็ไปไปมาๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วสักพักหนึ่งพอเราพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็สงบใหม่พอสงบใหม่ทอนนี้เวทนาก็เกิดอีกพอเวทนาเกิดยมก็นั่งดูเวทนาไปแต่ว่ายงก็คิดอ่ะมันมันจะปวดมันก็ปวดของมันแบบซึ่งซึ่งเราไม่เอาใจเราไปคลุกกับเขาเราโยมก็อยู่กับ เวทนาค่ะพระอาจารย์ก็นั่งก็ดูเข้าไปนะค่ะดูเข้าไปเรื่อยๆก็ก็อยู่กับเขาแต่ว่ามันมันมันไม่หายนะคะงินเนี้ยค่ะก็คือเราก็อยู่กับเวทนาแต่ก็อยู่ไปเป็นเกือบชั่วโมงเลยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ดูเขาแต่ว่าใจใจใจเรามันนิ่งใจใจเราไม่ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะพระอาจารย์แต่แต่แต่เมื่อเช้าเนี้ค่ะขณะที่เรานิ่งๆอยู่อะโยมก็อืมไหนลองลองลองเอาใจไป ไปดูแบบว่าตรวดสิเท่านั้นแหละพระอาจารย์ทนไม่ได้เลยเจ้าค่ะแบบต้องต้องต้องบอกว่าต้องต้องใช่หอยเอาหอยออกมาเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์จากที่เรานั่งดูเขาได้อยู่ปกติอะค่ะพระอาจารย์พอเราลองเราอยากจะลองดูว่าถ้าเราลองเอาดูแบบว่าใหม่เนี้ยค่ะมันมันเจ็บมากเจ็บมากโยมก็เลยก็เลยก็เลยถอนออกมาแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่ง เออซึ่งมันนานมากแล้วค่ะมันเมื่ประมาณ3ามสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์เหมือนกับพอเราดูดูลมไปแล้วพอลมมันนิ่งสักพักหนึ่งค่ะพระอาจารย์ดูไปดูมามันลมมันมาที่เหมือนมันมันมาตรงสะดือเลยค่ะพระอาจารย์มันก็แบบมาตรงสะดือเข้าออกเข้าออกเงี้ยแต่ว่าโยมจำได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าให้ดูที่ปลายจมูกโยมก็ถอนจากที่มันสะดือค่ะพยายามดันมันออกมาตรงจมูกอยากอยากให้มันเป็นมัน สะดือมันมันลงไปลงไปเลยค่ะพระอาจารย์ที่สะดือหรือว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ต้องปล่อยแล้วดูมันไปปกติใช่ไหมนะคะก็ให้มีที่ไหนที่เรายึดยึดเดียวจิตใจไว้ที่เดียวที่ปลายจมูกก็ได้ที่ใต้จะอยู่ที่ปลายสะดือก็ได้แต่ให้มันอยู่มันลงไปเองพระอาจารย์มันมันเหมือนมันมันไปเองอ่ะค่ะมันไปมันไปเองแต่ว่าโยมครึ่งเป็นครึ่งเป็นอย่างเงี้ยครั้งแรกที่มันลงไปที่สะดือค่ะ แต่ว่าโยมเอ๊ะเราเราไม่เคยเป็นแบงนี้เราไม่เคยลงซื้อก็นึกขึ้นใดที่กลับเลยาอใจาก็พยายามดันออกมาแต่โยมไม่ว่าเป็นอย่างนี้อีกเราเราก็ดูที่สะดือไปเราไม่ต้องดันเราไม่ต้องกลับมาพยายามแล้วลึกลื้อแล้วเอารู้ๆๆรๆๆที่ไปลาจมูกว่าจะค่ะก็ได้แล้วแต่เราให้รู้เฉยๆก็แล้วกันอืมเ <c oughs> จ้าค่ะมันดูอย่างเงี้ยก็เราเราตอนหลังโยมก็จะเหมือนกับพิจารณาว่าโอเคร่างกาย มันไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร่างกายในขณะที่มันเกิดความเจ็บอะค่ะก็มันก็มันก็ทําให้เราไม่ไม่ไม่เป็นทุกข์กับเวทานาแล้วช่วงนี้ทุกวันเนี้สาวันเนี้ยค่ะเวลาโยมไปห้างอะโยง ม, มองเห็นคนแบบจากที่เราเคยมองเป็นหน้าเราเราเดีนี้จินตนาเป็นกระดูกได้แล้วพระใจคือมองเห็นคนด้านหลังก็จะเห็นเป็นด้านหลังของกระดูกข้างหน้าก็จะมองเริ่มได้แล้วเจ้ค่ะดีดใชพยายามมองให้เห็นบ่อยบย ใช้ค่ะแล้วก็เวลาเวลาโ ย, ยมโยมหญิงนอนนะคะโยมหญิงก็มีความรู้สึกว่า ต, ตัวเองอะ่ะเป็นกระดูกหมดเลยพระอาจารย์แล้วก็ขมด้วยเพราะขมมันก็เอ๊ะเอ๊ะทำไมทําได้แล้วค่ะเพิ่งเพิ่งเริ่มทําได้เมื่อสามสี่วันเองค่ะพระอาจารย์ได้นล้วต้องรักษาไว้ต่อให้มันย้ายให้มันหายก็แล้วกันค่ะจากเมื่อก่อนถ้าเราเดินทางเราจะมองแบบเห็นหน้าคนแล้วก็จะแบบดูหน้าเขาแต่ตอนนี้ถ้าเรามองกระดูกกระดูกแทนนะใช่ค่ะเราจะเลยหน้าเขาไปเลยค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ะ ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆอุ้งได้ผลเลยพระจ่ า, าโยมคือลูกสาวว่าเขาสั่งเหมือนกับเป็นตัวหุ่นแบบข้างในแล้วปร ะ, ปร ะ, ประกอบอะคะ่ะพระอาจารย์ว่าประกอบกระดูกเนี้ยคะ่ะเป็นใสแล้วก็เครื่องหนึงเป็นมนุษย์แล้วเครื่องหนึงก็จะเป็นกระดูกแล้วจะเห็นหมดมีอยู่สามสามชิ้นนะคะเข้ามาบ้านก็เจอขึ้นมาบนบ้านก็เจอ หันไางนี้ก็เจอสามสามขุนค่ะพระอาจารย์ดังนี้เ ร, เราเรนีตก็เลยแบบว่าจินตนาการได้รู้หมดเลยค่ะว่าอ่ะอันนี้คือในนี้จากเมกื่อตอนเราเราเน็ตพาไปออกค่ะพระอาจารย์ช่วยได้เยอะเจ้าค่ะดีมากดีมากค่ะมองมองมองร่างกายหเห็นร่างกายแล้วมักจะไม่เห็นร่างกายแล้วมักจะเห็นคนนั้นคนนี้ชื่อนั้น <C' n S 1> ชื่อนี้ค่ะใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์เร า, รา ย, ยมก็ไม่มีไม่ก็ไม่ทุกข์กับอะไรก็ปล่อยวางได้เยอะค่ะก็ปล่อยไปตามปกติค่ะแล้วก็แอาการ32อะไร ่ค่ะแล้วก็มีความสึกว่าตัวเรามันเหมือนกับรถตะเขะอาจารเหมือนแขนขาก็เหมือนกับล้อรถเหมือนอะไรรถทุกอย่างแล้วมันเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นต่อใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็มองมองมาตรงจุดนี้แล้วค่ะใช้เปรตมาเป็นเหมือนคนขับรถใช่ค่ะเหมือนมากเลยพระอาจารย์ม่งให้ร่างกายทำนู่นทำนี่ใช่ค่ะแขนก็ออกแขนก็แยกขาก็แยกทุกอย่างมันแยกส่วนกันหมดเลยอะค่ะ จึกไปเรื่อยๆค่ะพระอาไมด้มันทมันติดไปในสายค่ะค่ะปฏิบัติอยู่ทุกวันก็ตื่นมาก็ตีสามตีสี่ทุกนี้ทําทุกวันเลยเจ้าค่ะโอเคดีมากค่ะรายงานต่อหนึ่งนะค่ะแล้วจะค่ะค่ะเร็วเวลานิดหน่อยให้คุณน้าต่อค่ะคุณน้าม่มีคําถามกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับการที่เพื่อนกําลังจะเสียชีวิต สิ่งที่เราทำให้เขาได้ดีที่สุดนะตอนนี้คืออะไรครับกราบขอบพระคุณครับก็อย่าไปยุ่งเขาโยเฉาะทาหน้าที่ของเขาเป็นนอกจากว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรให้เขาเราก็ทำให้เขาไปถ้าเขาไม่ต้องการทำอะไรก็ปล่อยเขาอยู่อย่างสงบของเขาดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณโอ๋น้อมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ หนูขอสารภาพว่าตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาหนูได้พักการภาวนาไว้ชั่วคราวแล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจากหนูมีความทุกข์ใจมากเวลาที่หนูทำผิดศัจจาหรือปฏิบัติแล้วทำตามที่ตั้งใจหรือคาดหวังไว้ไม่ได้เจ้าคะ่ะ หนูจึงพักการภาวนาปฏิบัติไว้ชั่วคราวเพื่อปรับจิตปรับใจแล้วกลับมาดูกำลังความสามารถของตนเองว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปเพื่อให้เหมาะสมกับกำลังและจริตของตนเองเจ้าคะ่ะหนูขอโอกาสจากท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาช่วยชีย้แนะแนวทางและสั่งสอนหนูด้วยเจ้าคะ่ะกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะก็อย่างที่พูดทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ คำถามต่อไปจากคุณเตชินีเคยจิตรวมหลายครั้งตอนนอนท่องพุโทโธแต่ยังไม่เคยรวมได้ตอนนั่งสมาธิเลยค่ะจนรู้สึกท้อควรวางใจอย่างไรดีคะพระอาจารย์ก็ให้รู้ว่ามันกำลังของสติเรายังน้อยไปแล่วต้องขยันมีสติพุโทโธพุโทโธให้มากขึ้นหรือเวลาไม่แน่นั่งก็พยายามจันพุโทโธพุโทโธ การสติไปเรื่อยๆในระหว่างวันสติเรายังมีกำลังน้อยไม่พอที่จะทาให้จิตรวมได้คำถามสุดท้ายจากคุณวาสนาน้อมกราบขอโอกาสเรียนถามครับรู้หมดแต่อดไม่ได้เป็นที่เหตุอะไรครับจิตใจไม่มั่นคงหรือสติไม่ทันน้อมขอพระอาจารย์เมตตาให้หลักการแก้ความอดทนไม่ได้นี้ด้วยครับ กราบขอบพระคุณครับเออรู้อันนี้เขาเรียกว่ารู้รู้ทฤษฎีแต่ยังไม่ได้นํามาไปปฏิบัตินการที่เราจะรู้แล้วทำตามที่เรารู้ได้แล้วต้องมาปฏิบัติสมาธิก่อนอันนี้จิตเราไม่มีกําลังถึงแม้นจะรู้ว่าต้องอดต้องทนแต่มันก็อดไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังที่จะอดทนเราไม่มีโอเบกคาแห้เราต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิ ให้จิตโดนเป็นอปปนาสมาธิเ ป, เป็นเป็นรูปฌานสีให้มีอุเบกขาขึ้นมาให้ได้พ อ, อจิตมีอุเบกขาแล้วที่รู้อะไรก็สามารถทําตามที่เรารู้ได้รู้ว่าต้องอดก็อดได้รู้ว่าต้องถอยก็ทนได้คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีสำหรับครั้งนี้ก็ขอให้ท่าน ท, ทั้งหลายจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเทอ